เือประวัติหลวงปู่ขานี่หลงตามหาบัวถ้าเป็นผู้เขียนมันจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยมันจากที่ไหนกันจา ก, กาจากอเมริกาเลยอยู่ให้นั่นเหรออยู่อยู่ที่ไหนรัไหนคอเนียเ <California. S 1> มืองไหนซา <San Francisco. S 1> นฟรานซิสโกซานฟรานไปจากวันตะภายคียยหรืป่าเคยไปครับ พระอาจารย์อะไรนะชื่อที่เป็นหัวหน้าเป็นฝารั่งจำเออเคยไปทําบุญหรือว่าไปปฏิบัติไปพักไปปฏิบัติครับมีที่ให้พักเลยมีครับก็อยู่ตามเงินเงินเงินเข่าครับเป็นกุเิแล้วว่าเป็นกุเตนเป็นกุเตนะถ้าถ้าเป็นอุบอุบาสกนี่จะเป็นกุติกัแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุบาสิกาก็จะเป็นบ้านดิหลั อยู่ได้หลายคนไหมที่ไปเอ่อไ ม, ไม่ไม่หลายครับต้องต้องบุกไว้ลงหน้าอืมอยา ก, กุติของอุบาศกนี่มีสะเกีกี่หลังทราบไหยผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าที่เห็นเห็นได้เลสองหลังครับสองหลังแล้วสำหรับพระมีเยอะนะมสาหรับพระ ม, มีมีที่พักอยู่แล้วครับจะพิจารณาว่าหมายถึงว่าอย่างบาศกที่จะไปปฏิบัติธรรมต้องต้องจองไว้ลงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่พักแล้ มีพระอยู่หลายลูก็ไม่มไม่ไม่มากน่าจะประมาณห้าเจ็ดลูกตัที่อยู่กันเป็นประจาเนี่ยครับผมอห่างจากสานฟานไมสักกี่ไม่นี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับใช้เวลาน่าจะประมาณสาี่ชั่วโมงาสีชั่วโมงเข้าใจว่าเป็นที่ของวัดจีนใช่ไมติดกันเนี่ยมีวัดจีนเนี่ยไม่แน่ใจว่าซือมาจาก วัดจีนแล้อเป่าเคยอ่านประวัติที่ว่าเป็นที่ของวัดจีนเขาแบ่งให้ใช้หรือไงแต่ก็อยู่อยู่รึเปล่านี่นกว่าจะไปถึงเนะอ่านมีน้ำไฟไฟฟ้ามีพี่ครับพี่รู้สึกว่าบนกุติที่พักนี่จะเป็นไครเทียนใครเทียนนะไม่มีไฟฟ้า ปกติที่คุณไปพักก็ไม่มีไฟฟ้าไม่ไม่มีแมีห้องน้ำปะห้องน้ําจําจําไม่ได้อค<ม>แต่มันมีห้องน้ําในตัวเล็กๆหรือยัง ไ, ไงเนี่ยไปพักอยู่กี่วันเนีผมไปนค่ห้าวันอ๋อปีแล้วต้องจองต้องหน้าหลายหลายวันเลยนะแล้วแต่จังหวัดครับผมแต่ผมจองก็ไม่นานไม่ถึงเดือนครับตรงนั้นเป็นช่วงร้อนหรือช่วงหนาว ผมไปก็อากาศกากาดเยินๆนะครับ้าก็ไม่ได้บินธาบาโดยปกติจะจะญาตโยมจะทากับข้าวถัว่วเนีอย<ๆ>แต่ว่ารู้สึกจะมีช่วงิธาบาแต่ไม่ทราบไม่แน่ใจว่าวัน่าคหรือวันอะไยาตโยมส่วนใหญ่ก็ไปจากที่สันปานชาวบคก็ไปที่อื่นไม่เชืนะ่อทำขังข้าว<ๆ> เป็นชาวไทยด้วยชาวลาวด้วชาวก็วววมีทั้งไทยทั้งลาวมีทั้งฝรั่งที่ไปเมืม่อวานนี้ก็มีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมาผู้หญิงญี่ปุ่นแต่ก็บอกเธอจะไปที่นั่นเหมือนกันเพราะมามาอยู่เมืองไทยได้สามปีแล้วก็วีซ่าหมดนะเธอบอกว่าจะกลับไปญี่ปุ่นแล้วจะไปต่อที่อภัยชิรี นี่กลับมาเยี่ยมบ้านนละยทำอะไรครับกลับมาเยี่ยมแม่กับเราครับ<ม>เราก็มาหาวันนี้มาหาเพื่อนคนระับเพื่อนสมัยเด็กครับ<ม>เขากันามางเขาเลยมาปฏิบัติธรรมแไม่เคยได้มาร่วมกันเลยมาพักอยู่ที่วัดเลยครับผ ม, มจะมาพักกี่วันครัผม7จวันัเพื่อนสามวันครับวันอยู่ที่อเมริกาทาอะไรอยู่นะัผมทานวดครับทำนวดครับ อันนี้เป็นก e ีนคา d หรือว่าเป็น u ูเอสละอ๋อ U.S. ทุเส้นเอสก็สบายไม่มีปัญหาเรื่องเข้าออกร้านนวที่ในในเมืองซานฟานเลยแหละก็ทำทํทางไปนัเขาครับอ๋อทาให้เขาอยู่ในซานฟานเลยอยู่นอกซานฟานประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบไปทางไหนไปทางทางใต้ครับไปซานโุเซทางซานอุเซ เลยสนามบินลงไปนะใช่ครับเลยไป็นามบินไม่ไม่ ไ, มไมก ล, ร เ, ลไเราก็เคยวนเวียนอยู่แถวนั้นบ้างเคยเรียนหนังสืออยู่ที่เมื no. องเฟรชโน่บางบางครั้งก็มีเพื่อนอยู่ซานฟานก็ขับรถขึ้นไปเยี่ยมเยียนครับแถวนั้นก็มีวัดไทยอยู่ไม่ใช่ใกล้ๆกล้ก็มี มีว่าคอนคิร์ตคอนคิร์ตอะไรเนี่ยครับเ ม, มืองคอนคิร์ตอีกข้าไม่ได้ฟังทางะทตะวันออกเนี่ยเราได้ไปปฏิบัติบ่อยไหมเออไม่ไม่ไม่บ่อยครับไม่บ่อยกป็ปกติคือถ้ามาเมืองไทยก็ถึงมาปฏิบัติที่เมืองไทนที่นม่นจะเป็นทำบุญมากกว่าแล้วก็ไปปฏิบัติก็วัดอรไทยกีรนะีที่ได้ไปืป ก็สนใจเรื่องการปฏิบัติก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆช่วงที่มีเวลาได้ศึกษาจากใครบ้างเรื่องวิธีปฏิบัติก็ผมผมเคยเคยบวชเคยบวชที่ไหนเคยบวชที่เชียงรายวัดปฏิบัติได้ครับผมวัดนานอยู่ก็อันนั่นมันมีพยาวใช่ไหม บนได้นานหมก็สิบพรรษาสิบพรรษาขนาเนี่ยสิบพรรษาแล้วได้ไปอยู่ศึกษาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่ไหนบ้างบ้างก็ไปบ้างครับผมไปที่ไหนมาบ้างอะก็ไปทางอีสานครับไปทางหนองปลาพงอะไรเข้าไปครับ้วไปทางขอนแก่นไปอะไรเงี้ย ไม่คิดจะบวชเองค่ะคิดครับคิดจะบวชเนี่ยแต่ว่าก็ทําหน้าที่ตรงนี้ไปก่อนนะเพราะว่าบ้านฝ่ายก็ทางใดทางหนึ่งครับจะสะสมต่อทางพี่น้องไปอยู่ทางสานฝานกันแล้วอยู่ที่นี่กันนะ อ, อ๋อมีผมคนเดียว อ, อยู่แม่กับน้องอยู่กรุงเทพยังมีพารา ด, ดูแลแม่อยู่ครับเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ไป บ, บวชที่เชียงรายนะครับ ว่าโตที่เนี่ยครับโตที่ปัต ย, ย, ย, ยานี่ครับโรงเี่นปัตยาครับปัตยานนี่แหละเรียนน้องเสีอที่ปัตยานอ๋อก็เคยเรียนศีลธรรมครับศีลธรรอาสามเลยครับ ม, ม, มีอะไรอยากจะถามไหมเดี๋ยวฟังประอาจารย์หน่อ ย, ยครับแต่ ว, ว่านึกจะเดือดทางนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหม <c oughs> มีอะไรหรือเปล่ปา พูดดังๆหน่อยก็อยากอยากจะถามาพระอาจารย์ว่าอันนีฉันมีลูกชายคนโตอายุสี่สกว่าแล้วเขาก็ไม่เหมือนคนโตเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนเด็กอายุประมาณสิบสองเนี่ยค่ะความคิดความอะไรของเขาเน่คะเขาเป็นคนที่การทางสมองหรือเปล่าเจะมาเป็น ตอนโตเนี่ยค่ะคือย้ำคิดย้ำทำเพราะก่อนก็เคยมาบวชที่วัดยานท่านน้าเองเราทำอะไรนะก็เขาย้ำคิดย้ทำทําแล้วับเขาช่วยเหลือเหมือนยังไงอะที่บามก็หนักใจกับเขาอ่ะคือเขาเหมือนโตแล้วเขายังไม่ได้เป็นคนโตอ ย, อย่างเนี้ยค่ะ มันเป็นธรรมชาติของเขาคือคนเราแต่ละคนเกิดมาไม่เหมือนกันอย่างที่เคยพูดเปรียบเทียบเสมอว่าคนบางคนก็เป็นกล้วยบางคนก็เป็นส้มบางคนก็เป็นมะละกอ <c oughs> เราจะไปให้เขาเปลี่ยนพันธุ์ไม่ได้เขามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไงเขาเคยทําบุญทํากรรมในอดีตมาทําให้เขาเป็นกล้วยเป็นส้มเป็นมะละกอไม่เหมือนกัน าบาใดที่เขาไม่ไปทำบาปทำกรรมไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็ไม่ต้องไปกังวลหรอกเอาตรงที่การกระทำเขาดีกว่าถ้าเขาไม่ได้ไปทำบาปไม่ได้ไปเล่นการพนันเดือดสุรายาเม า, เาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นคนเก่งคนฉลาดคนร่ำรวยหรืออะไรก็ไม่เป็นปัญหา ต้องคิดว่าเป็นกรรมของเขาที่เขาต้องมาใช้คนเราเกิดมาจึงมีความเป็นไปไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันในด้านความรู้ความสามารถในด้านอะไรต่างๆก็ดูแลเขาไปถ้าเขาดูแลตัวเขาไม่ได้ร่างกายอาจจะอายุสี่สิบแต่ใจก็ อาจจะอายุสิบสองไม่มีการพัฒนาขาดสติปัญญาก็มองในแง่ดีก็ดียังไม่เลวไปกว่า น, นี้เขายังช่วยตัวเองได้ไม่ใช่เหรอไดอ้ไม่ถึมันต้องป้อนน้ำป้อนข้าวให้เขาเนี่ยเนี่ยที่วัดนี่มีคนงานของวัดคนหนึ่งก็มีลูกชายเป็นเออเป็นโรคเอออันนี้ต้องเลี้ยงต้องป้อนต้องอะไรทุกอย่าง แต่แม่เขาก็มีความสุขเขาก็ทาไปเลี้ยงไปเด็กมันก็มีความสุขกินแล้วมันก็นอนนอนแล้วมันก็กินมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นไปความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความอยากของเราเราอยากให้เขาเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปอพอปเป็นแล้วก็จะมาเสียใจพอเป็นคนปกติก็ไปกินเหล้าเมายาไป เที่ยวเตะไปเล่นไปทำอะไรต่างๆเสียหายก็เสียใจไปรูปแบบนี้นั้นเราต้องยอมรับสภาพของคนแต่ละคนว่าเขาทำมาอย่างนี้เขาเป็นผู้ผลิตตัวเขาคือกรรมคือการกระทำของเขาในอดีตเนี่ยที่ท่านมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์เนี่ยเผ่าพันธ์ของเขาเป็นแบบนี้ เขาก็เลยเป็นแบบนี้มีกรรมเป็นมูปให้กาเนิดเนี่ยกรรมพาให้เขามาเกิดเราเพียงแต่ให้ร่างกายเขาแต่ใจเขานี mm hmm. ้เขาเป็นของเขามาด้วยการกระทำของเขาในอดีตคือกรรมจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น หน้าที่ของเราก็ดูแลเลี้ยงดูเข้าไปตามอัตภาพเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่แล้วค่ะเราได้ฟังนี้เรสบายใจขึ้นก็ตอนที่มาบวชอยู่ที่นี่แกก็ยัง ยังเป็นปกติอยู่ค่ะยังมาช่วยสอนนังสืออยู่ที่วัดนี่ค่ะชื่ออะไรชื่อนายอำนาจค่ะอนาจเนี่ยวันเลอสีนานแล้วยังที่มาบวชเนี่ยก็มาบวชได้ประมาณกีนก็ใกล้จะสิบปีแล้วค่ะสิปีแล้วชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อนี่อะไค่ะชื่อนายอำนาจวันเสีไม่มีชื่อเล่นนะไม่มี บวชอยู่พันปก็ต้องทำใจนะเกิดมาในโลกนี้จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจของเรานั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นเหมือนธรรมชาติเป็นธรรมชาติ <c oughs> เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไม่ค่อยทุกกับฝนฟ้าอากาศเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นธรรมชาติ เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับธรรมชาติได้เราก็ปรับใจให้เรารับกับธรรมชาติไปฝนตกแดดออกเราก็ไม่นดากังวลอะไรก็อย่างน้อยก็เคยได้บวชก็คงจะไม่ไ ม, ไม่ไม่เสียไม่เลวร้ายมาก เนี่ยเราอยากจะให้เขามีครอบครัวมีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมไม่ค่ะก็แล้วแต่เขาก็ไม่มีก็คือไม่มีอแต่ช่วงนี้เขาก็แบบทำอะไรก็ทําทําไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอืก็ย่อมคิดย่อมทาแล้วก็ก็ไปหาหมอค่ะหาหมอจิตแพทย์แล้วหมอเขาว่ายัางไงฮะหมอเขาบอกให้ไห้กินยาตลอดตลอดไปอย่างเงี้ยค่ะ อ, อกินยาละงับประสาทเนที่วันนี้ก็มีภารูปนันก็ต้องกินยาละงับประสาทเป็นประจำอยู่เขาไม่ค่อยเชื่อไงบางทีบอกให้หาตรงนี้ไม่มาหาเราให้ไปหาจะไปสมิธติเวทนู่นถ้ายาก็ตหรงออะไรเนี่ะจะไปอย่างนั้นหลยก็ไป บอกเขาจะไปก็ได้แต่เขาต้องจ่ายเองก็แล้วกันมันก็ไม่ย้อมเก็เป็นเหมือนเด็กไงอ้อนอ้อนแงก็เอ า, า, เอ า, าไอม่ไดก็อย่าไปตามใจเขาไม่ตามใจก็อัลละวา่าอัลละว่าคนก็อย่างเนี้ยเลี้ยงคนนี่เลี้ยงยากกว่าเลี้ยงหมาอัาลลาะวา่าบางครั้งหมอว ให้ยาที่มาหยดๆห ย, ด, หยดให้แล้วก็สงสารเนะานะแล้วก็แบบสงบสติ อ, ร อ, อารมณ์ก็สงสารพรหยดพอกินยาตัวนี้ไปแล้วก็จะไม่สบายเนะขา อ, อดสงสารไม่ได้ก็ต้องเสียตังค์เยอะก็เราก็ต้องดูว่าเรามีกําลังหรือไหมถ้าไม่มีก็ต้องทําใจเป็นอุเบกขาแทน มันอยากจะอารวาก็ให้มันเจ็บตัวบ้างมันจะได้เข็ดน ะ, อะเอาไปเอาไปที่โรงพยาบาลสมเด็จเขาก็ไม่รับเขาก็บอกทางบ้านพอมีฐานะก็ต้องเอามารักษาเองออย่างนี้เขาไม่ได้รับไม่ได้นัดไหมเขาก็ไม่รับมไม่ไหวเขาพอละกเขาก็เยอะ ก็ทำใจแล้วกำลังว่าเป็นเป็นทั้งกรรมของเขาทั้งกรรมของเรากรรมของเราก็ไปได้เขามากรรมของเขาก็เขาเป็นอย่างนี้ไปทุกข์ก็มันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ทำไปตามกาลังคิดว่าเดี๋ยวก็ตายจากกันแนละ้วอยู่กันไปไม่กี่ปีเดี๋ยวก็ตายจากกันแนละ้ว คิดว่าเป็นการทําบุญก็แล้วกันเป็นการคิดว่าเป็นการมาใช้กรรมมาแก้กรรมเราอย่าไปทําบาปอย่าไปทําอะไรที่ทําให้มีกรรมเพิ่มมากขึ้นทําบุญไปทำเนี่ยเลี้ยงเขานี่ก็เป็นการทําบุญแล้วเดี๋ยวชาติหนะ้าเราก็จะสบายกว่าชาตินี้ถ้าเราทําบุญไม่ทําบาป พยายามมาปฏิบัติทำดีกว่าอย่าไปเปลี่ยนเขาเลยอย่าไปแก้เขาเลยมาเปลี่ยนใจเราดีกว่าปฏิบัติทำทาใจให้สงบแล้วเราจะรับกับความจริงของเขาได้ว่าจะอยากอยากโอนหัวบวชปันสาหนึ่งปีนี้คงไม่ทันแล้วก็มันไม่ต้องเข้าพรรษาก็ได้บวชเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนกัน นอกพัรษาในพรรษามันไม่เกี่ยวกันหรอเวลางั้นเดี๋ยวถ้าผลบวรได้เดีทา่านจะกลับไปบ้านไปเอายาเอายาก่อดพ่อกินด้วยจันนั่นแหละอืยาเครียดลูกเครียดแม่เครียดก็ต้องไปเอายากอแต่มันต้องไปหาที่อยู่เพราะว่าที่อยู่เขาก็แต่ละที่เขาก็มีจํานวนจํากัดอย่างที่วันนี้เขาก็ไม่ได้ให้อยู่ยาวเอาให้อยู่ได้แค่อาทิตย์เดียว คนมาอยู่กันมากก็ต้องหมุนเวียนกันไปถ้าปล่อยให้อยู่ประจําก็จะไม่มีใครก็มาอยู่ได้แต่ก็มีวัดที่เขาให้อยู่ได้นานก็มีเราก็ต้องไปศึกษาดูแต่บวนมันไม่จําเป็นจะต้องเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเข้าพรรษาออกพรรษานี่มันเป็นเรื่องของพระ เรื่องที่พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้พระเดินทางไปไหนมาไหนเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงฤ ด, ดูเพาะปลูกชอบเดินรัดทุ่งรัดนาแล้วก็ไปเหยียบข้าวเหยียบต้นไม้ที่เขาปลูกทำให้เสียหายชาวนาชาวไร่ก็เลยไปร้องเรียนพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามไม่ให้พระเดินทางในช่วงฤ ด, ดูฝนให้อยู่กับที่ แต่เรื่องการบวชนี่บวชได้ทุกเวลาเพียงแต่ว่าในทำมันพอมันเป็นธรรมเนียมแล้วก็เลยบวชกันตอนเข้าพรรษากันอันนี้เป็นธรรมเนียมเท่านั้นเองคือเป็นของผู้ชายที่บวชเป็นพระเขาจะาถือช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงบวชกันพอออกพรรษาเขาก็เสด็จ ก, กัน แต่คนที่บวดจริงๆบวชเพื่อจิตใจนี้ไม่ได้บวชเพื่อธรรมเนียมนี้บวชที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนโรงพยาบาลจะไปเลือกเข้าเวลาเข้าโรงพยาบาลไม่ได้หรอกถึงเวลาต้องเข้าโรงพยาบาลก็ไปเลยไม่ใช่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เป็นช่วงเข้าโรงพยาบาลการบวชก็เหมือนกับเข้าโรงพยาบาลเข้ามารักษาโรคใจ โรคของความไม่สบายใจต่างๆที่รักษาได้ถ้ามียาที่ถูกต้องอยาที่รักษาโรคใจก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ที่ท่านเรียกว่าธรรมะโอสถใจของเราวุ่นวายด้วยความหลงด้วยความอยากด้วยความโลคด้วยความโกรธเพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร หลงไปเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเห็นในสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้ว่าไปควบคุมบังคับได้ไปเปลี่ยนเขาได้หลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ใช่ถ้ามองแล้วทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยง เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้สั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นไม่ได้สั่งได้บางเวลาบางเวลาก็สั่งไม่ได้เช่นร่างกายของเราเนี่ยตอนนี้เราสั่งมันไปไหนมาไหนได้เดี๋ยวเวลามันไม่สบายก็สั่งมันไม่ได้แล้วเจ็บไายได้ป่วยมันอไปไม่ไหวแล้วจะต้องนอนนี่คือความหลงมองไม่เห็นความจริง เลยชอบทําอะไรตามความอยากเพราะคิดว่าทําแล้วมีความสุขแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพรเวลาที่อยากแล้วไม่ได้ทํามันก็จะทุกข์อยากแล้วไม่ได้ดังใจก็จะทุกข์อยากให้ลูกเป็นปกติมันไม่เป็นมันก็ทุกข์ แต่ถ้ามีปัญญามีธรรมะขอ ง, รรของรรพ ร, ระเจ้าพระเจ้าก็บอกนี่แหละสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เที่ยงมีขึ้นมีลงมีได้มีเสียมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติไปสู่ไม่ปกติจากไม่ปกติกลับมาสู่ปกติมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปวังคบมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ ถ้าอยากให้มันเป็นตามใจเราแล้วจะเสียใจจะทุกข์ใจพอมันไม่เป็นแต่ความอยากนี่มันก็ดื้อเราหยุดมันไม่ได้มันจะหยุดมันก็ต้องเอาธรรมะของพระเจ้ามาหยุดมันก็ต้องมาปฏิบัติกันเอาสติมาหยุดความอยากเอาพุโทโธพุโทโธนี่มาหยุดความคิด เพราะความคิดมันเป็นเครื่องมือของความอยากพอเราคิดถึงลูกเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธเราก็ลืมมันไปมันจะเป็นไงก็เป็นเรื่องของมันไปเราไม่เอามาแบกในใจเราเขาจะดีเขาจะชั่วเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาก็เปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเองกลับไปบ้านเขาอาจจะดีขึ้นมาก็ได้ ถึงเวลามันจะมีปัจจัยทําให้มันดีมันก็ดีขึ้นมาเองแต่เราไม่สามารถที่จะไปทําให้เป็นไปตามความอยากเราได้สเสมอไปบางทีก็ทําได้ก็เลยทําให้เราหลงกันว่าโอ้เราสามารถทําตามความอยากได้อยากได้อะไรก็หามาได้ใช่เวลามันหามาได้ก็ดีใจกัน พอเวลาหามาไม่ได้ก็ทุกข์ใจกันซึ่งไม่จําเป็นจะท้องทุกข์ถ้ายอมถ้าหยุดความอยากที่อย่างก็ก็ไม่ทุกข์หามาไม่ได้ก็ไม่เอาธทรมนั้นเองใช่ไหมอย่ากให้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นนี้เขาไม่เป็นก็ไม่ก็ไม่เอาก็ได้พราจะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยก็เป็นไปตอนนี้เราก็ไม่ทุกข์แล้วแต่เราไม่มีปัญญาคิดอย่างนี้แล้วเราไม่มีกําลังหยุดความอยาก เราต้องมาสร้างกำลังหยุดความอยากกันตัวที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสติเราต้องพุโทโธพุโทโธไปนี่เป็นวิธีสร้างสติขึ้นมาถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธใจก็ไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้หยุดความคิดดนะึงความคิดมาโดยใช้พุโทโธเป็นตัวดึงมาให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วพอไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ความอยากก็ไม่เกิด แล้วความทุกข์ที่เกิดจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็หายไปนี่แหละเป็นวิธีแก้ปัญหาของใจใจเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาเองอด้วยความอยากอยากก็เพราะหลงคิดว่าอยากแล้วจะได้ดังใจอยากแต่ไม่เห็นว่าบางทีมันก็ไม่ได้แล้วพอไม่ได้ก็ไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักเปลี่ยนใจ จะเอาให้ได้หัวชนฝาหัวจะแตกก็ยอมแตกอยากจะเขาจะจะเอาหัวชนฝาให้ฝามันทะลุให้ได้ไปเจอฝาที่มันเป็นอิดเป็นอะไรมันก็ชนไปก็หัวแตกนั่นแหละถ้าเป็นฝากระดาษแบบบ้านญี่ปุ่นน้่มันก็ไม่เป็นไรชนปุ๊บมันก็แตกเลยเน่ยบางอย่างเราก็ทำได้บางอย่างเราก็ทำไม่ได้ พอถึงวเวลาทําไม่ได้เราต้องใช้ปัญญาแล้วบอกเอ้ยมันอนิจจังทุกขังอนัตตานะอยากเราก็จะทุกข์นะอยากเราก็ไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกขนะ์นั้นอยากไปอยากมันถือว่ามันเป็นเรื่องเหนือความสามารถของเราเรื่องสุดวิสัยเราจึงไม่ค่อยอยากปเปลี่ยนส้มโอให้เป็นแตงโมใช่ไหมเรารู้ว่าอยากนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้ อยากไปก็ทุกไปเปล่ า, ลาอแต่ทาไมเราชอบอยากกับตัวเราเหลเกินอยากให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราก็เราไม่ได้ทำความดีมามันจะมีความดีเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไงมันมีเหตุมีปัจจัยบางอย่างของบางอย่างมันมีเหตุถ้าเราสร้างเหตุผลมันก็จะตามมา ทำไมถึงเป็นพระพุทธเจ้าทำไมถึงเป็นพระอรหันต์แล้วเราทำไมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทำไมเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะเราไม่ได้สร้างเหตุที่จะทำให้เราเป็นกันถ้าเรามาสร้างเหตุเราก็เป็นได้ทำไมคนก็จบปริญญากันได้ทำไมบางคนจบไม่ได้คนไม่จบก็เพราะมันไม่มันไม่ไปเรียนหนังสือมันมัไปจบได้ยังไงคนที่เ็าจบเขาไปเรียนเขาก็จบกัน แล้วมันมีเหตุเหตุก็คือกรรมนี่แหละที่เราเรียกว่ากรรมคือการกระทำทางกายวาจาใจาเรียกว่ากรรมทำเหตุที่ดีผลก็ดีตามมาทำเหตุที่ไม่ดีผลก็ไม่ดีตามมาแล้วบางทีมันมันตามข้ามชาติกันที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเหตุจากอดีตชาติที่เราทำมาก่อน เรียนหนังสือไปโรงเรียนนี่ก็เป็นเหตุปัจจุบันทำให้เราได้รับปริญญากันแต่เหตุที่ทำให้เราเรียนหนังสือได้ก็มาจากชาติก่อนชาติก่อนอาจจะเป็นคนชอบฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนพวกที่ไม่เรียนก็เพราะว่าชาติก่อนไม่สนใจไม่ชอบศึกษาไม่ชอบเรียนชอบเที่ยวชอบเล่นพอมาเกิดชาตินี้นิสัยนี้มันก็ติดตัวมามันก็ทาให้ชอบเที่ยวชอบเล่นต่อไป มันก็เลยไม่ไปเรียนกันพ่อแม่ส่งไปโรงเรียนก็หนีโรงเรียนไปเที่ยวกันไปตีกันนี้นี่ก็คือเหตุที่ทําให้ผลต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็เกิดจากเหตุของเราทั้งนั้นที่เราทําทั้งในอนดีตทั้งปัจจุบันผสมกันมาทําให้เราเป็นอยู่อย่างนี้ ถ้าเราอยากจะได้ดีกว่านี้เราก็ต้องสร้างเหตุที่ดีกว่านี้ยังมีเวลายังไม่สายมาเจอพระพุทธศาสนาเป็นคู่มือของการสร้างเหตุที่ดีและละเหตุที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ไม่ดีที่พระเจ้าสอนว่าอยากทำก็อยากไปทำเช่นอบายามุกอย่าไปเสกสุรายามาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนไม่ดีเป็นต ความเกลียดค้านอันนี้เป็นเหตุไม่ดีอย่าไปทำมันและบาปก็ไม่ดีฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดตัวเวนีโกหกหลอกลวงอันนี้ก็เหตุไม่ดีอย่าไปทำมันแล้วผลไม่ดีมันจะไม่เกิดกับเราคนที่ทำเหตุไม่ดีก็ติดคุกติดตารางกันมีเรื่องือมีเรื่องราวกันคนที่ไม่ได้ทำเหตุไม่ดีก็ไม่มีเรื่องราวกัน ำหำรวจเขไม่มาจับคนที่ไม่ได้ไปทําผิดกฎหมายหรอกเขจะจับเราจับเพราะคนที่ทําผิดกฎหมายเท่านั้นอ้าว่ามาครับมีคําถามเกี่ยวกับความเป็นลูกที่ดีครับ อ, ภ, อภิชาติบุตรเนี่ยครับอขอบเขตนี่อยู่ตรงไหนคือทําตามหน้าที่ที่เราจะทําได้หรื อ, อยังพ่อแม่จะให้ตามตามความฝันพ่อแม่อย่าเงี้ยถือว่า แล้วเราไม่สามารถที่ทําได้คิด่เรา ม, มีความพบกพ้องหรือปากตันอู่ไหมครับไม่หรอกวราคืออยู่ที่สิ่งที่พ่อแม่อยากให้ทําว่าถูกหรือไม่ถูกควรหรือไม่ควรเช่นพ่อแม่อยากให้เราร่ํารวยอยากมีฐานะดีหน้าตามีเกียรติมียศเงีเหมือนพระพุทธเจ้าพ่อแม่ก็อยากจะให้เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจักรพรรดิ พระพุทธเจ้าเห็นว่ามันมันมันต้องไปทําบาปทํากรรมทําไปทําสงครามห ร, หรือถ้าไม่เป็นไม่ทําสงคราม้วจะคอยปกป้องทรัพย์สมบัติก็ต้องมีการต่อสู้กันแล้วก็ไม่มีวันที่จะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้พระพุทธเจ้าท่านมีปัญญามองลึกกว่าปัญหาที่เราเห็นกัน พวเราไม่ค่ยเห็นปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายกันแต่สําหรับพระพุทธเจ้านี้การเกิดแก่เจ็บตายนี้ท่านถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และเป้าหมายของท่านก็อยู่ที่การแก้ปัญหานี้เป็นหลัแกแก้ปัญหาของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วการอยู่ในวังเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จะต้องไปเป็นนักบวชเท่านั้นถึงจะแก้ได้ท่านก็เลยต้องไป คือมันเป็นเ ร, <c oughs> เรื่องละเอียดที่แบบว่าบางทียากที่จะบอกให้ให้แม่เข้าใจในลักษณะที่ว่าเราคิดว่าเราทําตามหน้าที่ในจุดที่เราทําได้คือไม่ได้ท่านให้ใหทุกข์ให้ยากคือก็มีความสุขในระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถที่จะตอบสนองความฝันเหมือนทีก่กับความเคยได้เคยมีเคยเป็นที่แบบแม่ศาสาร์เลี้ยงมานะั่นอย่างนี้วันนนวยความสะดวกเราไ <c oughs> น้เรามีความสุขทุกอย่างแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยทําให้แม่ไม่ได้เนี่ยตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ อ๋อก็อย่าไปทูลสาเขามันเป็นความหลงของเขาเป็นความหลงอ ค, ความไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่ดีเป็นอย่างไรสิ่งที่ไม่ดีเป็นอย่างไรเขามองในมุมว่าเราพยายามไม่พอเขาอยากจะให้เราเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเขาไม่รู้ถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เขาอยากนี้ทําให้เราต้องทุกข์ก็ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไปเรื่อยๆ แล้สิ่งที่เราอยากจะทํานี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเขาไม่รู้ถ้าเขาศึกษาธรรมะเขาจะอนุโมทนาแต่ถ้าผ้าเป็นแม่ที่มีธรรมะนี่ถ้าลูกบวชนี่จะดีใจจะมีความสุขใจแต่ถ้าผ้าแม่ไม่มีธรรมะแม่ไม่รู้ก็แม่ก็จะมองไปทางลาบยศสรเสริญอยากให้เป็นใหญ่เป็นโตอยากให้ร่ำให้รวยแม่จะได้มีความปื้มปิติมี เกียดตามไปด้วยเวลาใครถามว่าลูกทำอะไรก็บอกโอ้ mm. oh, เป็นนายกอย่างนี้พูองนี้แม่ก็จะมีความสุข mm. อันนี้เป็นกิเลสของแม่พูดง่ายๆ mm. เป็นความหลงของแม่ที่ไปเห็นราบยศสา ร, รเสริญสุขว่าเป็นสิ่งที่ควรที่จะทำแต่คนที่มีปัญญาเขากลับเห็นว่าราบยศสา ร, รเสริญสุขนี้ เป็นกับดักของการเวียนว่ายตายเกิดใครไปติดอยู่กั บ, าบลาภโยชนสรสนุขก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุดงั้นอย่าไปถือสาถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าอะไรควรไม่ควรเราก็ไม่ต้องเถียงก็ปล่อยแค่พูดไปก็เดี๋ยวก็เหมือนแม่คนนี้แม่คนนี้ก็อยากจะให้ลูกโตเป็นตัวของตัวเอง ลูกมันก็ไม่เป็นแม่ก็ทุกข์ทุกข์ก็เป็นกิเลสของแม่ไม่ใช่เพราะลูกความทุกข์ของแม่เกิดจากความอยากของแม่ที่อยากจะให้ลูกเป็นไปตามความอยากพอไม่เป็นตามความอยากก็ทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองรั่ก็ทางเดียวที่จะทำให้แม่หายทุกข์ก็พาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมศึกษ า, าปฏิบัติไป เคยพามาถึงมาแต่ว่าแม่ก็บอกว่าพามาให้พระสอนแม่นิด ก, ก็ก็ต้องสอนนี่สิที่เข้าวัดก็เหมือนไปโรงเรียนไงวัด น, นี่เป็นโรงเรียนสอนธรรมะเพื่อจะได้ให้ไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่เป็นโทษกับจิตใจคือประมาณท่านก็แบบประมาณท่านเก่งแล้วถึงเลี้ยงเรามาได้ไม่ต้องมาให้พระสอนอันประมาณเนี่ยคือมีก็น<ร>ั่นก็ทิฏฐิมานะอ่า วิจาทิฐิไอเลี้ยงดูหมาก็เลี้ยงได้ไม่ต้องคนหรอกเป็นหมามันก็เลี้ยงลูกได้ใช่มไหมไมนต้องเก่งขนาดไหนเลยตัดทุกชนิดมันยังเลี้ยงลูกของมันได้แต่เอาตัวมันรอดได้หรเปล่าเอาตัวให้รอดจากความทุกข์ได้หรอเปล่าอันนี้แหละใครที่เอาตัวเองให้รอดจากความทุกข์ได้คนนั่นแหละเก่งจริงถ้ายังคุณมียังยังมีความทุกข์อยู่แสดงว่าคุณยังไม่เก่งจริง ถ้านะคุณเก่งจริงคุณจะต้องเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเท่นั้นไม่มีความทุกข์กับอะไรทั้งนั้นแต่คนโง่ก็ยังคิดว่าตนเองฉลาดเนี่ยเขามีคําพูดว่าะนะคนที่คิดว่าตนเองฉลาดแล้วนะนั่นคือคนโง่ที่แท้จริงแต่คนที่ฉลาดก็จะรู้ว่าเขายังโง่อยู่เพราะคนที่รู้ว่าตนเองยังโง่อยู่จะได้ พัฒนาได้แต่คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ไม่ต้องพัฒนาแล้วก็โง่ต่อไปคือในลักษณะนี้เราก็ทําตามหน้าที่ของเราที่เราได้ดูแลทางร่างกายไปให้ท่านท่านนั้นเองให้ท่านอยู่สุขสบายมีปัจจัยสี่บริบูรณ์อะไรนี้ไปครับที่เหลือก็คือเบกขาไปคืออะไรก็วางเฉยยเงี้ยใช่ไม่ต้องเถียงก็แล้วกันห้ามเถียงกับพ่อกับแม่ต้องเคารับพ่อแม่ เพราะน่าจะพูดอะไรก็ฟังครับผมครับผมอยากจะทําไม่ทําต้องดูเหตุผลว่าถูกหรือไม่ถูกเดี๋ยวท่านย้อนอีกไหนครับครับที่ทำสักทีอย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็อย่างงี้ยก็อยากครับก็อะไรเงก็เฉยเฉยก็แล้วกันอย่างเ้ยก็เฉยเฉยไปเฉยเฉยฟังเฉยเฉยไปอันไหนเป็นธรรมก็ทําไปอันไหนไม่เป็นธรรมก็อย่าไปทำพระพุทเจ้า หลวงตาท่านบอกว่าท่านไม่เก่งใจคนท่านเก่งธรรมถ้าเก่งใจคนทําก็แหลกใช่ไหมถ้าเก่งใจแม่ก็แหลกทําก็หายหมดนี่ก็เก่งใจมาถึงได้ศึกมาใช่ไหมเนี่ยครัะอาจารย์ครับสําหรั บ, รรบรผู้เรื่องปฏิบัตินะครับการนั่งสมาธินี่อาจจะไดนั่งได้แต่ละครั้งยังไม่นา ถ้เกิดพยายามนั่งบ่อยๆแต่ละครั้งไม่นานแ่สิบห้าหรือยี่สินาทีพยายามฝืนให้นั่งนานๆเลไน่อยจะดีกว่าอ๋อมันต้องฝืนมันถึงจะนั่งนานได้เหมือนคนที่หัดวิ่งมาลัทธอ น, นี่ยก็ไม่ได้วิ่งทีเดียวยี่สิบหกกิโลเขาค่อยๆเพิ่มกําลังวิ่งของเขาขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้เอา1กิโลพรุ่งนี้เอากิโลครึ่งต่อไปก็สองโลเนี่ยมันต้องผักไปเรื่อยๆแต่ผักเดี่ยงเดียวไม่ได้มันต้องมีเหตุคือ แต่าจจะนั่งให้เน้นนา น, านไม่นานอยู่ที่สติเราต้องพยายามพัฒนาสติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสติก็คือเราต้องหยุดความคิดให้มากวันวันึอย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสความคิดต่างๆให้คิดเฉพาะเรื่องที่จําเป็นจะต้องคิดเวลาที่จะไปคิดเรื่องไม่จําเป็นก็ใช้พุโทโธพุโทโธเดินกลับมาหรือบังคับให้มันเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปกําลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับงานที่กําลังทํา ให้รู้อยู่กับงานที่ทำอย่าไปทำไปแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเช่นแปลงควันนี้ต้องอยู่กับการแปลงควันอย่างเดียวไม่ใช่แปลงไปแล้วก็คิดเดี๋ยวจะไปทำอะไรดีเมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาอะไยนี้แสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติต้องหยุดความคิดได้ให้อยู่กับงานที่กาลังทำในปัจจุบันถ้ามันไม่หยุดก็ต้องใช้พุโทโธเดินช่วยอีกทีก็ได้ แปงไปก็พุทโธพุทโธไปถ้ามันอยากจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้มันคิดพุทโธแทนแล้วมันไม่เป็นเรื่องมันจะไม่ยาวไงถ้าคิดเป็นเรื่องแล้วมันจะยาวแต่ถ้าเรคิดแต่พุทโธพุทโธมันก็จะหยุดเรื่องราวต่างๆได้หยุดความคิดได้ต้องพัฒนาตัวนี้แล้วเวลานั่งมันจะนั่งได้นานขึ้นไปจริงนั่งนานไม่นานนี้ไม่ได้เป็นตัววัดนะนั่งแล้วสงบไม่สงบต่างหากถ้านั่งนานแต่ไม่สงบก็ยังไม่ดี แต่ถ้านั่งแป๊บเดียวแล้วสงบดีกว่าถ้าสงบแล้วมันก็จะนานเองที่มันไม่นั่งไม่ได้นานก็เพราะมันไม่สงบเัินถ้าจิตสงบแล้วนั่งไปชั่วโมงนี่แป๊บเดียวไม่รู้สึกเวลาผ่านไปเลยเพราะจิตสงบนี่นั่งพอลืมตาขึ้นมาออกจากสมาธิมาอ้อชั่วโมงไปแล้วเาฉะนั้นต้องพัฒนาสติต้องพยายามเจริญสติดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้ อย่าให้คิดถ้าจะคิดก็คิดเรื่องจำเป็นเช่นทำงานต้องบวกลบคูณหารวางแผนหรือจัดการกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช้ความคิดไปพอไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปคิดอย่าไปคิดเพ้อฝันเพ้อเจ้ออย่าไปคิดเรื่องราวที่เป็นค้างขาใจทำให้เราวุ่นวายใจไม่สบายใจอย่าไปคิดมัน ทุกคนปฏิบัติมันก็ไ้มาเพิ่มจากเริ่มจากน้อยไปหามากนีตอนต้นนั่งหนาทีก็ถือว่าเก่งแล้ะต่อไปก็10นาที20นาทีมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่สติเอาสตินี่เป็นตัวตัววัดจริงๆถ้าสติดีมันจะนั่งได้นานเองนั้นหมั่นพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆที่จะเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องมันต้องอยู่คนเดียว ถ้าต้องไปทำงานต้องไปเกี่ยวข้องกับคนต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆมันก็หยุดคิดไม่ได้มันก็ต้องคิดคิดแล้วมันก็ไหลไปตามความคิดต่างๆพอจะมานั่งมันก็ไม่สงบมันก็ยังคิดถึงเรื่องงานเรื่องการต่อเองดันั้นคนที่จะปฏิบัติได้ผลจริงๆมันจะต้องเป็นนักบวชหรือผู้ไปอยู่แบบนักบวชไปอยู่วัดสักาวัน7วันอย่างนี้ แต่กว่าจะให้มันหยุดคิดได้ก็พอดีหมดเวลาพอดี mm hmm. เพราะมันความแรงของความคิดมันยังมีพลังอยู่กว่าจะได้เข้าเข้าที่เข้าทางกว่าจะได้สติเอา้าถึงเวลากลับบ้านซะล้วเพระฉนั้ถ้าเขาถึงเอาต้องบวชเป็นทั้งพรรษาหนึ่งอย่างนี้หรือให้ดีบวชไปเรื่อยๆอย่าไปกาหนดวันศึก มันก็ต้องอยู่ที่ความพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสติกับความเพียร น, นี่เป็นของตัวตัวการที่สำคัญต้องมีความเพียรพยายามเจริญสติแล้วก็นั่งให้มากนั่งให้บ่อยเจริญสติอย่างเดียวไม่นั่งก็ยังไม่ได้ผลเจริญสติแล้วก็ต้องหาเวลามานั่งมันถึงจะสงบ เวลาเจริญสติมันก็ไม่ฟุ้งแต่มันไม่มันไม่รวมมันไม่ฟุ้งซ่านมันก็สงบแบบปกติธรรมดาถ้าอยากจะให้มันรวมแบบหายวับไปเลยทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้มันต้องนั่งหลับตามันถึงจะรวมได้ถ้ามันเข้าถึงตัวรู้แล้วมันจะมีความสุขมากแล้วมันจะเบื่อกับความสุขทางร่างกาย มันจะเบื่อกับความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายมันก็อยากจะออกบวชเองพอได้เจอความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในใจแล้วมันไม่อยากจะได้ความสุขในรูปแบบอื่นเพราะว่าไม่มีสุขดใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนัตติสันติปรังสุขขังอันนี้ถ้าใครลองได้สัมผัสกับ ความสงบที่เกิดจากจิตรวมเพียงครั้งเดียวแล้วจะมีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับได้ดูหนังตัวอย่างพอ เ, เห็นหนังตัวอย่างเราก็อยากจะดูหนังจริงนะละรอเวลาหนังจริงออกมาก็ถึงต้องมีหนังตัวอย่างให้เราดูกันเงี้ยจะได้รอใจเราพวกเราที่มาปฏิบัติตอนนี้ก็เพื่อที่จะมาดูหนังตัวอย่างกัน ถ้าได้หนังตัวอย่างแล้วทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งบ้านทิ้งช่องได้หมดเ <c oughs> อาจริงๆไม่มีใครเกิดมาเป็นพระกันหรอกทุกคนเกิดมาก็เป็นคารวะมีครอบครัวมีอะไรกันแต่พอคนไหนได้มาเจอความสงบแล้วก็จะทิ้งได้บวชได้ดูกูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งอะไรได้เพราะท่านมีความสงบ ถ้าไม่มีความสงบแล้วก็บวชดี๋ยวก็ศึกออกพรรษาก็อยากจะสึกแล้วใจมันร้อนเนี่ยถ้าใจไม่สงบนี่ใจมันจะร้อนร้อนด้วยความอยากร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโทสะร้อนร้อนด้วยโมหะแต่ถ้าใจสงบแล้วมันเย็นเหมือนเข้าห้องแอร์ใจที่มีสมาธินี่เหมือนเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ อยู่ในห้องแอร์แล้เย็นสบายไม่อยากจะออกมาข้างนอกไม่อยากจะมาหารูปเสียงกลิ่นรสพอออกมาเจอรูปเสียงกลิ่น้วก็ร้อนวาบขึ้นมาร้อนด้วยราคะร้อนด้วยโทสะร้อนด้วยโมหะนี่หละตอนนี้พวกเราอยู่กับความร้อนกันโดยไม่รู้สึกตัวอยู่มีห้องแอร์อยู่แต่ไม่ไม่เข้ากันชอบอยู่ข้างนอกกันชอบอยู่กับความร้อนแล้วก็บ่นว่าทุกข์กัน ว่าไม่สบายกันไม่สบายใจกันก็เพราะว่าไม่เข้าห้องแอร์กันหาทางเข้าห้องแอร์ไม่เป็นไม่มีสติดึงเข้าไม่มีกำลังที่จะเปิดประตูเข้าไปในห้องแอร์สตินี่เป็นตัวที่จะมีที่จะเปิดประตูห้องแอร์ให้เราเข้าไปได้<อ>ต้องพยายามเจริญสติบ่อยๆเจริญอยู่เรื่อยๆคิดให้น้อยๆอยากคิดเลยได้ยิ่งดี ให้รู้เฉยๆแล้วเวลานั่งสมาธิจะสงบได้ก็คิดว่าหมดช่วงแรกจะให้พรก่อนเผื่อใครอยากจะไปไหนมาไหนต่อแต่ใครอยากจะอยู่ต่อก็ได้นะเดี๋ยวกลัวจะนั่งรอให้พรเมื่อไหร่จะให้พรสักที <c oughs> จะกลับบ้านแล้ว <c oughs> ไอวิทยุออนไลน์นี่มีคัมเตอร์วัดหรือเปล่ามีคนฟังกี่คนมีมีเลยสิบกว่าคนนะแต่ถ้าเป็นแอปมันก็จะสะดวกล้วก็ยานกดปุ๊บก็ฟังเลยยังไม่เสร็จอนนี้เขาติดตามได้สามทางถ่ายทอดสดอยู่ Facebook Live Youtube Live แล้วก็ r a ี i o o n l ออนไลน์ใน love d h a m m a com เลย เดี๋ยวจะมีปัญหาว่มามาอยากจะคำถามปัญหาเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่ลูกเรียนยังไม่จบศัลยแพทย์ก็เคยาถามอาจารย์ว่าอ่าลูกให้มาถามว่าการที่ศึกษาต้องใช้ชีวิตจัด <c oughs> แล้วถ้าอาจารย์บอกว่าอบาปไหมก็คือถ้ารน์ว่าก็แบ่งๆกันไปในกลุ่มที่เรียนแล้วตอนนี้ลูกจบแล้วอืม <c oughs> เป็นศัลยแพทย์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ลูกยังไม่รู้หรอกคะ่ะครับปัญหาตัวนี้คือ หนูไปถือศีลแล้วก็มีผู้ถือศีลที่อายุมากกว่าเขาบอกว่าเป็นสัตวแพทย์ทําหมันสัตว์แลมันบาปซึ่งหนูก็เลยอยากจะถามเพระอาการว่าไม่บาปหรอะทำหมันไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เนี่ยหนูก็คิดแบบนั้นนะะแต่ว่าเขาบอกว่าหนูก็ตอบเขาเหมือนเหมือนที่พ่อแจ๊บบอกไม่ได้ฆ่าเขาอะเราช่วยเอตัดตอนการแพร่พันธุ์ของสัตว์ออเขาบอกว่า แล้วถามมันนั่งหรือเปล่วปาว่ามันอยากทมงานไหมเจ้ามันเป็นลูกเรามันตัดสินใจเองไม่ได้เราก็ต้องตัดสินใจให้มันเหมือนเวลาเราเลี้ยงข้าวเราถามมันหรือเปล่ามันจะกินอะไรใช่ไหมก็ไม่ได้ถามมันเหมือนกันอันนี้เป็นตะแบงไปเองอะตะแบงไปงคําว่าบาป ก, ก็คือฆ่าหรือสั่งให้เขาฆ่าฆ่าทําเองก็ดีแล้วสั่งให้เขาหนึ่งทําก็ดีก็เรียกว่าบาปแต่ถ้าไม่ได้ฆ่า ไม่บาปเขายังมีชีวิตอยูอ่นะ <c oughs> ไม่ใช่เหรอเันจะไปบาปตรงไหนทําหมืนอนเหมือนเกิดนิ้วเป็นแพ้ต้องตัดทิ้งนี่บาปไหมก็ไม่บาปเลยเพื่อรักษาชีวิตพระเจ้าก็บอกให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหน มีที่ทํางานของหนูมีหลายคนอย่างที่มีความคิดแบบนี้ใช่ก็ไม่ศึกษากันไงคิดไปตามความรู้สึกของตัวเ <c oughs> องทา <c oughs> งในที่ทํางานหนูจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง อ, อะไรตอนนี้เขาก็จะมีการกําจัดพวกงูพวกอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าจะจับงูได้ฆ่าทิ้งก็จะได้หกร้อยบาท อ, อะไรประมาณเนี้ยตอนนี้คนที่พูดกับหนูเนี่ยคือสามีเขาทําหน้าที่ตัพูดเนี้ยอ ก็เลยตอบไปแต่ไม่ได้โขนนะคะเขาบอก ว, ว่าทำไมมันบาดมันมี่ดกว่าอ๋อที่คิดว่ามันไม่น่าจะบาะมากกว่าการที่เอางเงินด้วยชีวิตสัตว์น ะ, ะด้วยการเอางือไปขึ้นรางวัลซึ่งเขาก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้เรามันเป็นป่าเขาก็ต้องอยู่แต่เขาก็ตอบเราบว่าเขาทำเพื่อนโยบายบริษัทก็นั่นแหละคนมนตะแ บ, บงเข้าหาตัวเองเสมอ คิดเพื่อเอาประโยชน์ใส่ตัวเองคนไม่ได้ศึกษาธรรมะก็จะต้องคิดตามกิเลสอันไหนตัวเองได้ประโยชน์ก็ไม่บาปอันไหนตัวเองเสียประโยชน์ก็บาปหรืออยากทราบว่าอย่างนโยบายบริษัทซึ่งเจ้าของเป็นผู้ออกนโยบายคนที่บาปในการฆ่า ง, งูหรือฆ่าสัตว์ที่จะไปกินสัตว์ที่มีราคาแพงของเขาอะ อันนี้คือคนที่ฆ่าหรือคนที่สั้<อ>ง<า>สองคนเนี่ยบาปด้วยกันต้งคู่ทำเองก็ดีสั่งให้เขาทำก็ดีบาปมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมร่วมในการทำบาปไม่มีทางเลยสงสัยเรื่องคำหมั่นแค่นี้ได้ไม่รู้ว่าคนพูดเขาจะประมาณว่า หมาจะเกิดไม่ได้เกิดอะไรแบบเราฉะั้นก็เลยเบามันมีช่องอื่นจะเกิดหน้เยอะแยะไปไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรไม่ดีกว่าเลม่นไม่ได้มาเกิดเป็นหมามันก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แต่มนุษย์ก็มาทำเหมือนกันเองเหมือนกันมาคุ้มกันเนื่อยเเหมือนกันก็เลยไม่ได้ก็ต้องไปเกิดเป็นงูให้ข้าวมั้งอาจารย์คะขอพระอาจารย์ได้ตาระบายเรื่องวิธีการพิจารณาความดีความเลวว่าเป็นสมมตยังไง คือความดีก็คือการกระทำอะไรที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ไม่เกิดโทษกับตัวเราก็ดีกับคนอื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นก็ดีเราเรียกว่าเป็นความดีเช่นมาทำบุญเนี่ยเกิดประโยชน์กับเราเกิดประโยชน์กับผู้รับผู้รับก็ได้เข้าของไปผู้ให้ก็ได้บุญไปเรียกว่าเป็นความดีไม่มีโทษการทา ไม่ดีก็ ก, การทําที่เกิดโทษกับตนเองและกับผู้อื่นเช่นไปฆ่าผู้อื่นเนี่ยผู้อื่นเขาก็เขาก็เสียหายคนฆ่าก็เดือดร้อนใจวุ่นวายต้องไปติดคุกติดตารางอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นการกระทําที่ไม่ดีพูดง่ายๆก็ให้นี่คือนิยามของการทําความดีกับการทําไม่ดีหรือบาป คือดูที่ประโยชน์กับโทษที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและกับผู้อื่นแล้วการทั้งสองอย่างนี้คือเป็นเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงหรือเป็นความคิดก็ข้อเท็จจริงเลยมันจะสมมุติอะไรนะตีหัวคุณนี่สมมุติหรอือเาะ่าแต่ว่าคือการถ้าเราไปาเหมือนกับดึงดึงเรื่องเหล่านี้มาวิพากวิจาร์ในใจนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะทา คือถ้าเราไปคิดมันก็เกิดโทษในใจเราได้หรือเกิดสุขในใจเราได้เกิดประโยชน์ได้เกิดโทษได้เหมือนกันคิดปล่อยวางมันก็เกิดความสบายใจถ้าปล่อยวางลูกได้นี่สบายใจเลยเออช่างหัวมันเรื่องของกรรก็หายทุกถ้าคิดไปในทางกิเลสอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้พอไม่เป็นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามันก็มีผลนี่ไม่ใช่สมมติของจริงอะ เวลาทุกข์ใจนี่มันของสมมติหรือเปล่าเวลาสุขใจนี่มันสมมติหรือเปล่ามันของจริงไหมร้องหม่มร้องไห้แทบเป็นแทบตายนี่เป็นไม่มันคนละเรื่องกับเรื่องความสูงต่ำใช่ไหมค ะ, อะไอเรื่องนั้นก็เรื่องสมมติเช่นเขาตั้งให้เป็นนายร้อยนายพันเนี่ย น, น, นี่เรียกว่าสมมุติละแต่ก็มันมันก็เป็นความจริงของสมมติเขาเราเป็นนายร้อยเราไปด่านายพันเดี๋ยวก็โดนเตะแล้นะ <c oughs> ใช่ไหม มันก็มีสมมุติของเขาเหมือนกันอันหึงบอกต้องรู้สังคมไงคาว่ารู้สังคมก็ให้รู้สมมุติสังคมแต่ละสังคมนี้เขามีกฎมีกติกามีขนบธรรมเนียมประเพณีมีอะไรสูงต่ำของเขาไปสังคมของเรานี่ชาวพุทธมีพ่อมีแม่ถือว่าเป็นที่สูงใช่ไหมแต่สังคมของฝรั่งเขาถือว่าเท่ากันเขาไม่ได้ถือว่าสูงต่ำลูกลูกลู ก, ลกผัวพ่อได้ เพานก็คือถ้าถ้าจะไม่ให้เกิดออกก็คือเราแค่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโอเคคนคนนี้ชื่อนี้คนนี้ชื่อนี้คือรับรู้เฉยๆคนนี้ทําความดีคนนี้ทําความเร็วแค่รับรู้เฉยก็รู้เขาเป็นอย่างนั้นไงเหมือนกับเราดูต้นไม้ก็รู้ว่านี่คือต้นไซต์ต้นต้นอะไรถ้าเราไม่มีความอยากได้อะไรจากเขามันก็ไม่มีปัญหาปัญหามันอยู่ที่เราไปอยากได้อะไรจากเขาแล้วก็เลยไปดูเขาโอ๊ยเขารวยเนี่ยว่ะอยากไดได้เงินเขา เขาก็เลยกลายเป็นคนสาคัญขึ้นมาสาหรับเราของเงินเราเราก็ไม่อยากจะไปเกี่ยวข้องกับมันลังเกียจมันขึ้นมาแต่ถ้าคนที่มีปัญญาก็บอกก็คนเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันรวยก็รวยจนก็จนเราไม่ได้อยากได้เงินของเขาหรือว่าก็ไม่ได้เสียดายกับเงินทองที่เรามีอยู่ถ้าคนจนมาขอถ้าเราช่วยได้เราก็ให้ไปก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่มีก็ไม่ให้ ฉันสมมติก็คือเนี่ยถ้าจะพูดสมมติกับไม่สมมติเนี่ยก็ดูที่ร่างกายเราเป็นตัวอย่างร่างกายเราที่มันไม่ใช่เป็นสมมุติก็คือดินน้ำนมไฟเนี่ยทุกคนมาจากดินน้ำนมไฟหมดอาการ3 2เหมือนกันหมดเกิดแก่เจ็บตายนี่เหมือนกันหมดอันนี้ไม่ใช่สมมุติเลของจริงของแท้เกิดมานี่ต้องแก่เจ็บตายเกิดมาต้องมีอาการ3 2 เกิดมานี่มาจากดินน้ำลมไฟทาให้มีอาการสาวที่สองเหล่านี้ขึ้นมาไม่มีตัวตนไม่มีเป็นของใครทั้งนั้นแต่พอมาเกิดในครอบครัวนี้เขาก็ติดป้ายให้แล้วชื่อนั้นชื่อนี้มีเพศก็หญิงเป็นชายขึ้นมาอันนี้เริ่มเป็นสมมติแล้วแถ้าเกิดครอบครัวที่มียศฐานาศาสตร์เขาก็ตั้งให้ เป็นเจ้าฟ้าเจ้าหญิงเจ้าอะไรไปอันนี้ก็เป็นสมมุติมาเอาป้ายมาแปะกับตัวร่างกายนี้แหละอันนี้คือสมมุตินคําว่าหญิงชายพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยานี่สมมุติทั้งนั้นมาแปะที่ตัวร่างกายนี้ว่าร่างกายนี้มีตําแหน่งนี้นะเป็นพ่อนะเป็นแม่นะเป็นสามีเป็นภรรยานะเป็นพี่เป็นน้องอะไรไปอันนี้เป็นสมมุติที่มนุษย์เราอยู่ร่วมกันจะต้อง มีเพื่อจะได้ปฏิบัติกันอย่างให้เหมาะสมไม่งั้นก็จะเป็นเหมือนสังคมของเดรัจฉานเดรัจฉานเขาจะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องเขาไม่รู้อะของเหล่านี้แต่เดรัจฉานมันจึงสามารถร่วมเสร็จกรรมกับพ่อกับแม่ได้กับพี่กับน้องได้เวลามันเกิดปัญหาความอยากแล้วมันไม่สนใจว่าเป็นใครหรอกใครอยู่ใกล้ตอบสนองความอยากมาได้มันก็ตอบสนอง น, นี้คือสังคมของเดชาชาติสังคมของมนุษย์นี้เรามีปัญญาที่จะแยกแยะอะไรต่างๆได้ที่จะทำให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขได้ก็ต้องรู้จกักวิธีการที่จะปฏิบัติต่อกันและกันให้ถูกต้องอันนี้ก็ต้องอาศัยสมมุติเป็นตัวที่มามามากำหนดให้เราปฏิบัติกันเช่นกับพ่อกับแม่เราก็ต้องคารพ แต่มันเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปอยู่อีกสังคมหนึ่งที่เมืองนอกนี้ก็ไม่ต้องข่าวลบถือว่าเท่ากันก็คล้ายๆกับเป็นเดราจฉานไปให้เราอย่าไปติด ก, กับสมมุติเวลาร่างกายพ่อตายไปนี้เราต้องรู้ว่าเป็นเพียงร่างกายเป็นอาการสามสิบสองที่ตายไปตัวที่เป็นพ่อตัวที่มาเล่นเป็นพ่อนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายตัวนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ตอนนี้เป็นใจหรือจิต เ, เวลาไม่มีร่างกายแล้วก็เรียกว่าดวงวิญญาณพอร่างกายตายปั๊จิตก็กลายเป็นดวงวิญญาณไปดวงวิญญาณก็ไปเป็นกายทิพย์ต่อไปเป็นกายทิพย์อยู่แล้วนี่ไปไปเป็นเทพเป็นพรมไปเป็นอะไรก็ตามบุญตามบาปที่ทําไวไอ้ตัวนี้ที่ไปไอ้ตัวนี้ที่ไม่ใช่ตัวสมมติตัวจริงของแท้ถ้าเป็นเทพก็เทพถ้าเป็นพรมก็พรม อันนี้ไม่มีใครมาตั้งให้ได้ว่าเป็นเทพนะเป็นพรมนะเป็นหมานะเป็นแมวนี่มันตั้งไม่ได้มันเกิดจากกรรมเป็นผู้ตั้งกรรมเป็นผู้ให้กำเนิด ก, กรรมเป็นเผ่าพันธุ์อันนี้เกิดจากการกระทําในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างตอนเนี้พวกนี้พวกที่มาอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเทพกันทั้งนั้นะถ้าไม่เทพก็พรมพวกที่นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ก็เป็นพรม พวกที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลได้ก็เป็นเทพไม่มีใครเป็นเดรัจฉานกันไม่มีใครไปทำบาปกันไม่มีใครเป็นเปรตกันถ้าพวกที่มีปัญญาก็เป็นพระอริยะเจ้าได้เป็นโสดามันเป็นอะไรนเป็นในขณะที่ยังมีร่างกายอย่างนี้อยู่แต่ใจนี้มันเปลี่ยนไปตามบุญตามบาปที่ทำแล้วพอไม่มีร่างกายนี้มันก็เป็นอยู่ตามบุญตามบาปที่มันได้ทำอยู่แล้ว ตอนนี้เป็นเทพเวลาร่างกายตายไปมันก็เป็นเทพยอยู่แล้วเป็นพรมมันก็เป็นพรมอยู่แล้วไม่ได้อยู่ที่ตัวร่างกายอยู่ที่ใจที่เกิดจากการกระทาถ้าอยากจะเป็นพรมก็นั่งสมาธิเข้าชานให้ได้ถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องมีปัญญาปล่อยวางโลภโกรดหลงได้ดับความทุกข์ต่างๆได้ละกิเลสตัณหาได้ก็เป็นพระอริย บุคคลขั้นต่างๆไปอันนี้ไม่ใช่ตัวสมมุติอันนี้ตัวจริงตัวสมมุติอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ฐานะที่ที่เกี่ยวข้องกันเป็นลูกเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันอะไรก็ปฏิบัติให้เหมาะสมไปต่อกรณีเวลาเราปฏิบัติกับพ่อแม่เราก็ปฏิบัติอย่างปฏิบัติกับเพื่อนฝูงแล้วก็ปฏิบัติอย่างปฏิบัติ ก, กับคนที่ เราไม่รู้จักก็ปฏิบัติ อ, อย่างแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่ท่ามพระพุทธเจ้าจะสอนให้เราปฏิบัติให้กับทุกคนเหมือนกันก็คือให้มีความเมตตากรุณามุนิตาอุเบกขาต่อกันและกันเพราะจะเป็นวิธีที่จะทำให้จิตใจเรามีความสุขทำให้เราอยู่กันอย่างสงบไม่มีเรื่องมีราวถ้าขาดพรมวิหารสี่เราก็จะมีเรื่องกัน มีปัญหาต่อกันนะสังคมของเดรัฉานี้เขาไม่มีปัจเจกเขาไม่มีพรหมวิหารสิเดรัชานี้ก็ต้องกินกัดกินกันฆ่ากันเพื่อจะเอาอยู่รอดก็ไม่มีเมตตากรุณาไม่มีมุติตาอเาุเบกขาแต่มนุษย์นี้เรามีความสามารถที่จะเรียนรู้คุณธรรมที่จะทําให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ แตาก็ต้องมีคนฉลาดมาสอนเช่นมีพระพุทธเจ้าดูโลกที่ไม่มีพระพุทธศาสนาดูประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาเขาก็อยู่กันแบบเดรัจฉานฆ่ากันเป็นผักเป็นปลากัน<ๆ>เพราะเขาไม่รู้พรหมวิหารสีว่าเป็นอย่างไรเขาคิดว่าการอยู่กันต้องเอาตัวรอดเป็นหลักถ้าต้องฆ่าก็ต้องฆ่าถ้าต้องรักทรัพย์ก็รักทรัพย์ ก็ต้องทําบาปเขาก็ทําบาปอันนี้มันก็เดินลงไปสู่ระดับเดรัจฉานถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจนี่อยู่ในระดับของเดรัจฉานนะเดีย๋ยวเรามาศึกษานี่เรามาศึกษาสองอย่างสมมติสม ม, ต, ส ม, มติก็คือสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้เนี่ยว่าเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเป็นของชั่วคราว ร่างกายนี้เป็นของช่วคราวแล้วป้ายที่ติดไว้กับร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวพอร่างกายนี้ตายไปคาว่าแม่ก็หายไปคาว่าพ่อก็หายไปคาว่าสามีภรรยาก็หายไปส่วนตัวของพ่อของแม่เขาก็ไปตามบุญตามกรรมของเขาไปเขาก็ไปเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกใหมเ่เหมือนเล่นละครเนี่ย พอตายจากโรงนี้ก็ไปเล่นโรงใหม่ต่อพอโรงละครนี้จบเราก็ไปสมัครเล่นโรงละครใหม่พอร่างกายนี้ตายไปฐานะต่างๆที่เราเป็นอยู่จะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นที่เป็นน้องเป็นเศรษฐีเป็นคนจนเป็นนายพลนายพันอะไรมันก็จบไปแล้วเราก็ไปสมัครเล่นละครโรงใหม่เราก็ไปให้เราพอไปเกิดใหม่ก็แล้วแต่ไปเกิดที่ไหนไปเกิดครอบครัวไหนนะ ไปเกิดครอบครัวพ่อเจ้าแผ่นดินก็ได้เป็นเจ้าฟงเจ้าฟ้าเลยไปเกิดขอทานก็ต้องไปไต่เต้าขึ้นมา <c oughs> ไปเรียนหนังสือไปไปสมัครงานไปเป็นทาหารเป็นตำรวจอะไรก็เริ่มต้นจากวาทีร้อยตีถ้าเรียนโรงเรียนได้ร้อยถ้าเรียนจ่าก็เป็นจ่าไปมันก็วาไปตามสมมติอันนี้แต่ตัวตัวที่ไปเล่นก็คือตัวใจนี้ มันไม่ได้ตายไปกับบทบาทต่างๆที่มาเล่นบทบาทต่างๆที่ได้เราได้เราเราได้รับผ่านทางร่างกายนี้เป็นเหมือนหัวโขนที่เอามาสวมไว้เวลาเขาเล่นโขนกันหัวฮานุม า, มานมาใส่หัวทศกัณฐ์มาใส่พอเรามาเกิดเราก็เอาสมมติมาติดเลยเป็นลูกของคนจนลูกของคนรวยเรียนหนังสือเก่งไม่เก่งมันก็จะทำให้เราเป็นอะไรต่างๆกันไป แล้ว เ, เดี๋ยวก็จบเดี๋ยวก็ตายชั่วข่าวของวันนี้ชั่วข่าวอย่าไปยึดอย่าไปติด <c oughs> ให้รู้ว่าเป็นของเป็นโรงละครแนละ้วโลกนี้เป็นเหมือนโรงละครตัวที่สำคัญคือใจแล้วตัวที่จะทำให้ใจเราดีหรือไม่ดีก็คือบุญหรือบาป <c oughs> ให้เราสนใจตรงนี้ตัวที่จะมีผลกระทบต่อตัวเราจริงๆคือบุญและบาป ถ้าบุญก็จ ะ, จะทำามบุดีถ้าบาปก็จะทำให้เราวุ่นวาย <c oughs> เดือดร้อนทุกข์ถ้าได้เจอกับพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็จะได้พบกับบุญขั้นสูงสุดค็ <c oughs> บุญที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเล่นละครอีกต่อไป <c oughs> อเอาคำถามทางบ้านนั่งเมื่อวานนี้ไม่ได้ถามเลย วันนี้กี่กี่คนนะสองร้อยกว่าเลยสามกว่าสามกว่าวันธรรมดาเยอะหน่อยนะส0 0 3 5อยสมอ้าสประมาณเีอหอห้าสิบห้าสิบตอนนีนห้ห้าสิบ้าคนครับยูทูบห้าสิหกคนคำถามจากเฟซบุ๊กไลฟ์คำถามจากพระใหม่ธนกิจ เมื่อเมื่อเข้าสมาธิแล้วจิตนิ่งพอสักพักมันมีความคิดพุ่งออกมาจะให้นิ่งก็ไม่นิ่งครับผมควรทํายังไงช่วยชี้ทางให้ผมหน่อยครับก็ทําให้มันนิ่งใหม่พุโทโธใหม่ถ้าวิธีไหนที่เราทําให้มันนิ่งได้เราก็ใช้วิธีนั้นถ้ามันไม่ไหวแล้วก็ก็ต้องยอมว่าบวดกําลังเหมือนคนวิ่งมารอทอนวิ่งได้พอถึงขีดนึ่งแล้วก็จะวิ่งไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวก็ต้องพักแล้วก็มาสร้างสติ างกํลัขึคนนำถามจากคุณสุทธิพงศ์ถ้านั่งสมาธิแบบดูดลมหายใจแล้วรู้สึกเหมือนไม่หายใจถ้าปฏิบัติถูกต้องจะรู้สึกสบายใช่ไหมใช่หรือเปล่าครับเพราะตอนผมนั่งสมาธิเวลารู้สึกเหมือนไม่หายใจจะอึดอัดมากเหมือนคน เหมือนเรากั้นหายใจก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่ากลัวว่าตัวเองจะตั้งใจเกินไปเลยเผลอกั้นลมหายใจครับ อ, อ๋อลมหายใจนี่เราไม่ควรที่จะไปกัน้นเราควรจะดูเฉยๆดูเฉยๆว่ากำลังหายใจเข้าหรือกำลังหายใจออกท่านั้นเองเฝ้าดูลมไปแล้วลมจะละเอียดจะหยาบ ก, ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของลม ลมหายไปก็รู้ว่าลมหายไปแต่ไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจให้รู้เฉยๆตามได้ที่เรารู้อยู่เราไม่ตายไม่ต้องกลัวคำถามจากผู้ปฏิบัติธรรมจากธ ร, รมะในสวนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับลูกขอธรรมะในการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขความสุขก็เกิดจากการทาบุญทำทาน ร, รักษาศีลภาวนานี่เอง ทำไปเยอะๆแล้วก็จะมีความสุขเยอะๆทำบุญก็ทำไปตามกำลังของเราเท่าที่เรามีอยู่ถ้าไม่มีแล้วก็เราก็หยุดทำทานไปแล้วทำอย่างอื่นต่อคือรักษาศีลไปภาวนาไปบุญที่จะได้มากที่สุดก็บุญที่เกิดจากการภาวนารองลงมาก็เกิดจากการรักษาศีลต่ำสุดก็คือบุญที่เกิดจากการทำบุญทำทาน แต่เราก็ต้องพัฒนาจากขั้นต่ำขึ้นไปสู่ขั้นสูงถ้าเรายังมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็ควรที่จะเอาไปทำบุญเสียแล้วเราจะมีความสุขเราจะทำให้เรารักษาศีลได้แล้วเมื่อเรารักษาศีลได้ก็จะทำให้เรานั่งสมาธิได้มันเป็นธรรมที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นไปตามลาดับเหมือนกับเดินเรียนทั้งสือจากอนุบาลก็ขึ้นปถมจากปถมก็ไปมัธยม ข้อที่สองลูกอยากทราบ ว, วิธีที่จะทําอย่างไรถึงจะระงับความโกรธรักความอยากได้มันมีหลายวิธีวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้สติปัญญาเนะี่ยถ้ามีเวลาโกรธก็พุโทโธพุโทโธไปก็เรียกว่าใช้สตนะิพอเราอยู่กับพุโทโธไปเดี๋ยวเราก็เริม เ, เรื่องที่ทําให้เราโกรธเราก็หายโกรธแต่หายชั่วคราวพอเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธอีกก็จะโกรธอีก ถ้าจะให้มันหายถาวนก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็จะพิจารณาว่าเหตุที่เราโกรธก็เพราะเรามีความอยากนั่นแหละอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เราพอเขาไม่ทำให้เราเราก็โกรธถ้าเราหยุดความอยากได้ไม่ไปอยากให้เขาทำอะไรให้เราเราก็จะไม่โกรธเขาหรือเขาทำอะไรแล้วไม่พอเราไม่พอใจเราก็ต้องพิจารณาว่าเราห้ามเขาไม่ได้ เขาจะด่าเราเขาจะชมเราเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่ด่าเราเราก็จะโกรธเขาเราก็ต้องมาแก้ด้วยปัญญาอันนี้แก้ด้วยวิธีที่แบบ ว, ว่ัฒวอนแต่ก็มีวิธีอื่นเช่นเขาบอกให้แผ่เมตตาให้อภยัยใครก็พูดอะไรทําอะไรไปก็อย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาให้อภัยกันไปคิดว่าเป็นการใช้นี่ไปเราคงเคยไปทําอะไรกับเขามาเขาเลยต้องกลับมาทํากับเราอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน มันมีหลายวิธีแต่วิธีที่จะถึงพิกถึงเขิงถึงกระถึงรากถึงโคนก็ต้องสติปัญญานี่แหละถึงจะแก้ได้อย่างเป็นก่อเป็นกรรมแก้ได้อย่างถาวรข้อที่สามลูกขอหลักการใช้ชีวิตคู่ถ้าเรามาทางธรรมแต่สามีไม่มาทางธรรมเลยเกิดความขัดแย้งกันบ่อยๆก็อย่ากันสิ ไปด้วยกันไม่ได้หรอกจะอยู่ด้วยกันทําไมอยู่แล้วมันทุกข์มันจะไปสุขได้ยังไงถ้าจะมีความสุขก็ต้องไปด้วยกันถ้เาเขาวัดก็เขาวัดด้วยกันทําบุญด้วยกันกรักษาศีลด้วยกันคนหนึ่งจะกินเล้าอีกคนนึงจะรักษาศีนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้คําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ช่วงที่ผ่านมาภาวนาทุกวันจิตรวมพอควรช่วงสัปดาห์มานี้รู้สึกว่าจิตมีกำลังน้อยลงเนื่องจากออกไปทำภารกิจต้องพบผู้คนเห็นกิเลสเข้ามาแทรกจิตไม่ตั้งมั่นเท่าเดิมอยากขออุบายสร้างกำลังกาลังให้จิตเจ้าค่ะก็อย่าไปยุ่งกับคนให้มันมากไปปีกเว่ถ้ามีความจำเป็นต้องไปก็ต้องยอมเสียมันจะเอาทั้งสองอย่างไม่ได้มันต้องได้อย่างเสียอย่าง ถ้าอยากจะไปเกี่ยวข้องกับคนมันก็ต้องเสียสติไปถ้าอยากจะได้สติก็ต้องอย่าไปเกี่ยวข้องกับคนอั น, นีว่าให้ปีกวิเวกเนี่ยถ้าอยากจะมีสติอยากจะมีความสงบก็ต้องไปปีกวิเวกคำถามจะคุณน้ำมนต์นะครับตอนนั่งสมาธิหนูภาวนาพุทโธแลกแรกจิตจะแวะไปข้างนอกสองถึงสีวินาทีหนูก็จะดึงกลับมาพุทโธต่อ สัพพักจะแวบอีกสองถึงสี่วินาทีแล้วก็จะดึงกลับมาพุทโธต่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสัพพักรู้สึกเหมือนวูบเข้ารวังอะไรสักอย่างอาการเหมือนเราเคิมๆ ม, มีความสุขบางครั้งก็รู้ว่ายังภาวนาพุทโธอยู่แต่บางครั้งก็รู้สึกว่าจิตแวบไปข้างนอกปรุงแต่งแต่ไม่รู้ว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรและดึงกลับมาพุทโธได้ยากกว่าเดิมถ้าไม่สนใจจิตที่แวบไปข้างนอก คือปล่อยให้มันเคลิอมไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามีความสุขแต่ถ้าสนใจคำภาวนาหรือสนใจจิตที่แวบออกไปจะยากจะดึงกลับมาพุโทโธความสุขจะค่อยๆหายไปและเหมือนว่าได้ออกจากภวังควรทำอย่างไรต่อคะก็ทำเอาแบบที่ทำให้ามีความสุขนะที่ทำแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้น เาเป้าหมายของการนั่งสมาธิก็เพื่อให้ใจมีความสุขไงที่เราต้องมีพุโทโธมีอะไรไว้ก็เพื่อดึองให้เข้าไปหาความสุขพอเจอความสุขแล้วก็ทิ้งพุโทโธได้คำถามจากคุณดิวลี่ที่ว่ากันว่าพ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองลุกขึ้นสวรรค์นั้นมีอยู่จริงไหมครับและทางพระธรรมศาสนานี้เรื่องนี้เกี่ยวกันไหมครับลูกชายบวชแล้วพ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์ ก็เวลาเวลาลูกไม่ได <for S 1> ้บวชลูกไม่ได้อยู่วัดพ่อแม่ก็ไม่ได้มาวัดใช่แต่เวลาลูกบวชนี่ลูกมาอยู่วัดพ่อแม่ก็มาหามาหาพระมาหาลูกมาวัดก็ต้องมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมพอได้ทาบุญได้รักษาศีลฟังเทศฟังธรรมใจก็ขึ้นสวรรค์แล้วในเกาะชายผ้าเหลือง คือมีเหตุที่ทําให้เราได้มาทําบุญทําทานมารักษาศีลอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งพ่อแม่ที่มีลูกมาบวชนี่อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็จะนํามาวัดครั้งหนึ่งมาทําบุญมาใส่บาตรมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมนี่ก็คือเหตุที่ทําให้ใจเป็นสวรรค์ขึ้นมาแต่ถ้าลูกไม่ได้บวชก็ไม่มีเหตุที่จะมาวัดกันพอลูกศึกพ่อแม่ก็กลับพอลูกไปนรกพ่อแม่ก็ตามนรกไปไปต่อ พอลูกไปติดคุกก็ไปเยี่ยมลูกที่ที่คุกแทนที่เยาววันเลยคําถามจากคุณจั ก, กรินอยากถามพระอาจารย์ว่าอย่างเราวางกับดักสัตว์เช่นกาวดักหนูหรือเจลแมลงสาบนี้บาปไหมครับเพราะจําเป็นในการควบคุมปริมาณสัตว์ที่บรบกวนเหล่านี้อ๋อถ้าเขาตายก็บาปถ้าเขาไม่ตายก็ไม่บาปถ้าเป็น เป็นกองเป็นอะไรแล้วจับไปปล่อยได้ก็ไม่บาปอันนี้แชร์ประสบการณ์ครับอาจารย์ถ้าเป็นกาวดักหนูยังไงก็ตายครับตอนที่เกาะ อ, อยู่เขายังไม่ตายแต่ยังไงเขาก็ไปไหนไม่ได้ยังไงก็ตายอยู่ดีครับตายก็ใช้ใช้ใช้กองใช้กองคำถามจากคุณเมทินีบางครั้งได้ไปทานอาหารแล้วต้องสั่งอาหารอย่างจำพวกอาหารทะเล เราสั่งอาหารแล้วเขาก็ปรุงมาให้เราโดยที่เราไม่เห็นไม่รู้ในกระบวนการทำอาหารนั้นแต่ลูกก็อดลำบากใจไม่ได้ว่าอาหารเหล่านี้เราทานได้ตามปกติไหมหรือเบียดเบียนสัตว์โดยไม่รู้ตัวต้องทำใจอย่างไรเจ้าคะกิดถ้าเราไม่ได้ไปชี้ว่ า, าปลาตัวนี้ที่ว่ายอยู่ในถังนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเราก็สั่งไปแล้วเขาจะไปเอาปลาที่ไหนมาทาก็เรื่องของเขา แต่ถ้าเราไปชี้ว่าบางร้านเขามีอ่างมีถังมีปลาอยู่เลยให้เลือกเขาเลยจะชอบตัวไหนชี้เลยเ็าช้อนขึ้นมาแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยบาปแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาไปเอาปลามาอย่างไรที่ไหนนีเราไม่รู้ไม่บาปเราก็ไปซื้ออาหารกินเท่านั้นเองคำถามจากคุณประภาศ สภาวะความเป็นพรหมสามารถปฏิบัติเข้าสู่พระนิพพานได้หรือเปล่าครับหรือว่าต้องลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วแต่ว่าไปเป็นพรหมแบบไหนไงถ้าเป็นพรหมที่เกิดจากการเจริญปัญญานี้ก็ไม่ต้องไมง่ก็ไม่กลับลงมาแต่ถ้าเป็นพรหมที่เกิดจากการใช้สติเพ่งจิตพุทโธให้เป็นฌานนี้พอฌานพอสติเสื่อมมันก็จะกลับลงมาเป็นมนุษย์ต่อ แต่ถ้าเป็นพระอนาคามีนี่ก็จะไม่กลับมาเพราะพระอนาคามีขึ้นไปด้วยปัญญาละกามละกามราคะได้ไม่มีความอยากจะเสพกามอีกต่อไปก็เลยไม่มีความจําเป็นจะต้องมีร่างกายของมนุษย์แต่พรมที่ขึ้นไปด้วยสตินี่ยังมีกามราคะอยู่เพียงแต่ถูกสติกดไว้เท่านั้นเองพอกําลังของสติอ่อนลง กำลังของการมาราคะก็จะดานให้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่คําถามจากคุณสลายุทธต้องบวชกี่พรรษาหรือครับถึงจะออกทุดงได้ถ้ายังสวดปฏิโมกข์ไม่ได้จะออกทุดงได้หรือเปล่าครับคือปกติเรื่องทุดงไม่ทุดงนี้อยู่ที่ครูอาจารย์เวลาบวชนี้อย่างน้อยผ้าพรรษาแรกนี้ต้องอยู่กับครูอาจารย์ แล้วครูอาจารย์จะให้ไปหรือไม่ไปก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเพราะคนแต่ละคนก็อาจจะมีความสามารถไม่เท่ากันคนบางคนเหมาะต่อการไปทุดงทงท่านก็จะสั่งให้ไปก็มีคนที่ไม่เหมาะกับการไปท่านก็ไม่ให้ไปท่านดูว่าไปแล้วได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ฉะนั้นมันไม่มีตายตัวแต่ที่ตายตัวก็คือภาพบทใหม่นี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์พันษา จะไปไหนต้องมีครูบาอาจารย์กำกับหรืออนุญาตไม่ปล่อยให้ไปตามพราการเหมือนสมัยนี้บวชแล้วก็ไปตั้งสำนักเลยไปอยู่คนเดียวเลยไปเป็นอาจารย์เลยหรือไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้โผลมาทีก็บอกบรรลุ ถ, ถึงขั้นนู้นขั้นนี้แล้วไม่มีที่มาที่ไปคำถามจากทาง u t u b e นะครับจากคุณเล็กนิตยานะครับ ทำไมตอนบินทบาตพระถึงไม่ใส่รองเท้าอ๋อมันเป็นธรรมเนียมทางโบราณสมัยพุทธกาลนี้เขาถือว่านักบวชนี่ต้องเป็นแบบขอทานอยู่แบบเรียบง่ายสมถ ะ, ะการใส่รองทงรองเท้าสมัยก่อนมันเป็นของผู้ที่เขามีอันจะกินกันดังนั้นคนที่เป็นขอทานก็เลยไม่มีรองเท้าใส่กันและเวลาญาติโ ย, ยมจะใส่บาตรต้องทับตัวให้ต่ำกว่า ผ, ผ, ผู้ที่มาข อ, อ, อคือพระ ถ้าเราเขารถพระอย่างน้อยเราก็ต้องถอดรองเท้าแล้วเราไม่ใช่ถอดแลายืนบนรองเท้า่ <S <S <S <S เาเราเคยบินบาตแล้วเราเราเคยประทับใจยอยู่ครั้งหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งเขาต้องไปทํางานตอนเช้าแต่เขาเขาจะเขาใส่บาตรเป็นประจำถึงแม้เขาแต่งตัวใส่รองเท้าอย่างดีแต่เวลาเวลาใส่บาตรนี่เขาถอดรองเท้าออ แล้วใส่สเสร็จแล้วเขาก็ไปเช็ดเท้าไปล้างเท้าเขาแล้วก็ใสราองเท้าเข้ามาอีก okay. นี่นเป็นการแสดงความเคารพและเป็นการทําให้บุญของเรานี้ได้เต็มร้อยการทําบุญทําด้วยความเคารพอันนี้ก็จะได้ได้บุญมากกว่าการทําบุญแล้วไม่เคารพคํำถามจากคุณแอ นิโรธกรรมคืออะไรครับเห็นพระภูบาแถวภาคเหนือทํากันมากแล้วลูกศิษย์ของพระก็มาหารับบริจาคในแนวที่ว่าอ น, นิสงส์ดีมากแรงมากอย่างนั้นอย่างนี้นิโรธกรรมนี้ทําได้เฉพาะพระอริยะใช่หรือไม่ครับถ้าไม่ได้เป็นพระอริยะแต่ทํานี้อวดอุตริขาดความเป็นพระใหมครับเราก็ยังไม่รู้เลยว่านิโรธกรรมเป็นยังไงคําว่านิโรธแปลว่าดับ ระะกรรมแปลว่ากรรมการกระทำนี่รู้กรรมก็แปลว่าการดับกรรมหรอดับได้หรือเปล่ากรรมถ้ากรรมที่ทําไปแล้วมันไปดับมันไม่ได้มันต้องส่งผลที่พระเขาอยู่กรรมกันมั้งเ้าที่เรียกว่าอยู่กรรมคำว่าอยู่กรรมก็คือพระที่ทําผิดสังฆาทิเศษคือศีลข้อที่สิบสามข้อรองจากปราชิกลงมาที่มีโทษ ที่ยังแก้ได้แต่ต้องแก้ด้วยการไปไปอยู่กรรมหมือนกับไปติดคุกคําว่าอยู่กรรมของพระก็คือการไปติดคุกให้ไปประจานตัวเองต่อหน้าสงฆ์ทุกวันว่าข้าพเจ้าได้ทําผิดศีลข้อนี้ข้อนี้แล้วตอนที่อยู่กรรมนี้เขาให้ตัดสิทธิ์มีพรรษาเท่าไหร่ก็ให้ถือเป็นพระบวชใหม่ไปไปอยู่ท้ายแถวไม่ให้มาเป็นพระเถระเพื่อจะได้กําหลาบ จะได้มีความยางอายต่อไปจะได้ไม่กล้าทําอีกที่นี้คือการอยู่กรรมแต่สมัยนี้เขาถือว่าการอยู่กรรมเป็นเรื่องเทพไปเพราะว่าเหมือนกับว่าไปอยู่แล้วไปได้ภาวนาไปนั่งสมาธิอะไรนี้ขึ้นมาจริงไปติดคุกก็ใช่ไหมเพราะไปทําบาปไปทําผิดศีลมาคําถามจากคุณโทมิ ทำบุญซื้อสังฆทานที่วัดจัดเตรียมให้เป็นสังฆทานเวียนไปมาเมื่อเราทำบุญสังฆทานชุดนั้นจะทำให้การอุทิศบุญแก่ทุ่ร่วงรับไปแล้วจะได้รับบุญหรือไม่คะได้บุญมันเกิดจากที่เราได้สละเงินทองไปของนั้นมันไม่จำเป็นว่าจะเป็นของของของอะไรของเวียนมาถ้าเป็นของที่เป็นที่เราซื้อแล้วเป็นของเราแล้วก็ถือว่าเป็นเป็น เป็นของของเราแล้วเมื่อเราเอาของนี้ไปเบริจากเราก็ได้บุญเหมือนกันคําถามจากคุณลาวิวรรณโยมฟังธรรมมาประมาณ8ปีแล้วเมื่อวันได้ยินข่าวข่าวจากลูกว่าเขากําลังเป็นโรคร้ายโยมก็รู้สึกเสียใจบ้างและสงสารแต่ก็ไม่ได้กังวลมากมายอยากทราบว่าทําไมเร า, เราเฉยได้แต่ก็สอนให้เขารีบทําความดีอย่างนี้ถูกหรือไม่คะ ก็เพราะว่าเรามีปัญญาไงเรารู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็คงจะเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไม่ล่วงหน้าพอเกิดเหตุการณ์เราก็เลยไม่รู้สึกสะเทือนใจแต่คนที่ไม่ยอมคิดถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเลยพอไปเจอเข้าจะจะมันรับไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมตัวไว้ถ้าเป็นนักมวยก็ไม่เคยซ้อมเลยพอถึงเวลาก็จับขึ้นเวที พอจับเวทีโดนหมัดยบหน่อยก็น็อกเลยสลบไปเลยงนั้นการฟังเทศฟังธรรมนี้มีอ น, นิสงส์ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางอย่าไปอยากให้ไม่ดับคำถามจากคุณพอส ตอนภาวนาลูกใช้คำบริกรรมว่ามิมุตานางมิมุติยาแทนคำบริกรรมพุทโธได้หรือไม่ครับได้อยู่ที่ว่าสงบรรหรือไม่สงบใช้บริกรรมคำอะไรก็ได้แล้วก็ดูที่ผลว่ามันสงบรรหรือไม่สงบที่ไม่สงบก็เพราะว่ามันอาจจะไม่บริกรรมอย่างต่อเนื่องมันแวะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นันจะใช้คำไหนก็ได้มรณานุสติก็ได้ หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายก็บริกรรมนี้ไปก็ได้ถ้าคิดอยู่างนี้เรือใจให้คิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาร่วมพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้ท่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้คําถามจากคุณวาสนาการนั่งสมาธิได้วันละแค่20นาทีหรือมากกว่านิดหน่อยจะได้บุญไหมครับ ก็้บุญตลอยี่สบนาทีไงคำถามจากคุณใหญ่ถ้าเราตั้งสัจจะอธิษฐานต่อพระบรมสารีริกธาตุหรือต่อหน้าพระประธานจะทำให้ชีวิตเราถูกปิดกั้นเรื่องทางโลกใหม่เจ้าคะเช่นเรื่องปิดกั้นคู่ครองการเงินการงานใหม่คะการเป็นอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธรูปเหรอพระบรมสารีริกธาตุก็ไม่เอาไปอธิษฐานขออะไรล่ะ ขอถึงซึ่งพานิพานอ๋อขอถึงขอถึงพานิพานแล้วไปปิดกั้นอะไรแะ้เขากลัวว่าจะมาปิดกั้นชีวิตของเขาเรื่องคู่ด้านเงินการทองอะไรก็ไปนิพานมันก็ต้องทิ้งเรื่องคู่เรื่องเงินเรื่องทองจะไปปิดกั้นถ้าอยากจะไปนิพานมันก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมัถึงจะไปได้ถ้าอยากจะอยากจะมีมีคู่มีเงินมีทองก็ไปนิพานไม่ได้มันคนละทางกัน เหมือนเชียงใหม่กับภูเก็ตน ะ, ะอยากจะไปเชียงใหมก่ก็มันก็ไปภูเก็ตไม่ได้อยากจะไปภูเก็ตมันก็ไปเชียงใหม่ไม่ได้ต้องคนละทางกันหมดแล้วเหรอมีอีกค่ะคำถามจากคุณโดเลมอนลูกเคยฝึกนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกพุโทโธแต่ตอนหลังลูกจะเปิดเทศคูบาอาจารย์หรือสวดมนต์ฟังไปด้วย แต่พอเวลาฟังจะจับเทศไม่ได้แต่จะกลายเป็นกําหนดพุทโธแทนลูกเลยใช้วิธีทวนประโยคที่ครูบาอาจารย์เทศแทนจึงจะเข้าใจในธรรมแตหลายหลาครั้งประโยคเทศยาวๆลูกทวนประโยคไม่ได้ลูกปฏิบัติถูกหรือผิดเจ้าคะแล้วควรแก้อย่างไรเวลาฟังธรรมก็อย่าพุทโธอย่าดูลมให้เอาเสียงธรรมเป็นหลักฟังไปฟังแล้วถ้าเข้าใจก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรฟังไปเรื่อยๆก็จะทำให้ใจสงบเป็นสมาธิได้ยิ้งอย่าไปทบทวนคำที่ท่านพูดพอเวลาเร า, เราทบทวนคำใหม่ที่ท่านพูดอยู่เราก็จะไม่ได้ยินแล้วยิ่หลายฟังเหมือนเราคุยกันอย่างนี้เวลาครูบาอาจารย์เทศน์นี้เหมือนกับเป็นคนบอกทางให้เราว่ า, าฟังให้ดีนะจะไปที่กรุงเทพนี้จะต้อง ออกไปถนนนี้ถึงแยกนี้ให้เลี้ยวขวานะจากเลี้ยวแล้ววิ่งต่อไปอีกสิกิโลให้เลี้ยวซ้ายนะ uh huh. ก็ให้ฟังไปเท่า น, นั้นเองนี่คือการฟังธรรมให้ฟังตามที่ท่านบอก uh huh. ถ้าเราฟังแล้วเข้าใจเราก็จะจาได้ uh huh. ไม่ต้องไปจดจาไม่ต uh ้องไปถ้าเราฟังแล้วไม่เข้าใจก็จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรการฟังธรรมไม่ได้ฟังหนึเดียวต้องฟังบ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆมันถึงจะเข้าใจ อันที่สอของการฟังธรรมนั่นก็บอกไว้แล้วว่าหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินแล้วถ้าได้ฟังอีกละก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปสามทำให้เราหายสงสัยได้กำจัดความสงสัยได้สี่ทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องห้าทำให้ใจเราสงบเวลาฟังธรรมให้ฟังที่เสียงธรรมอย่าไปพูดโธอย่าไปดูลม แล้วก็ถ้าฟังไม่เข้าใจก็ฟังเสียงไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถ้าอยู่กับเสียงไม่คิดมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาได้ถ้าฟังแล้วคิดตามได้ว่าท่านกําลังพูดว่าให้จําได้ว่าให้ไปเลี้ยวซ้ายเลียเ้ยวขวาท่านอย่างนั้นทำอย่า ง, งนางงี้เราคิดตามที่ท่านพูดได้มันก็จะเป็นความจําขึ้นมาในใจเราอีกทีเราก็จะจําได้คําถามจากคุณปั้นปอ น, นะครับ หลายวันก่อนนั่งสมาธิเกิดเวทนาแรงมากเหมือนขาจะขาดกำหนดจิตว่ามาแล้วเหรอแค่นี้เองเหรอหลังจากนั้นเวทนาแรงมากอีกขาแทบขาดขณะนั้นมีความรู้แวบขึ้นมาว่าถ้าแค่นี้ยังทนไม่ได้ถ้าป่วยแล้วเจอเวทนาแรงกว่านี้จะทนได้เหรอก็นั่งดูเวทนาไปเรื่อยๆพอจะออกจากสมาธิก็กำหนดบอกเวทนามาอีกนะวันต่อไป ไม่เจอเวทนาเมื่อคืนไม่เจอเวทนาแรงแต่มีความรู้สึกตัวเองเท่าภูเขาหรือใหญ่มากกําหนดพุทโธไปเรื่อยๆสักพักใหญ่ความรู้สึกนั้นก็หายไปกลับเรียนถามก็เดีคือเป้าหมายของการงั่นก็คือไม่ให้เราไปกลัวความเจ็บความเจ็บนั้นไม่ได้เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือความกลัวความเจ็บต้องอย่าไปกลัวอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายแล้ว ความเจ็บที่ใหญ่มันจะไม่เกิดความเจ็บที่ใหญ่เกิดจากความกลัวความเจ็บหรือความอยากให้ความเจ็บหายไปเแล้วต้องกล้าท้าทายมันมามึมเจ็บแค่นี้เหรอมเจ็บกว่านี้ไม่ได้หรอวะมึงจะให้กูตายกูยอมตายกับความเจ็บเนี่ยถ้าลองยอมสู้กับมันแล้วไม่ไม่ไปอยากให้มันหายแล้วใจจะไม่เจ็บใจจะสงบแล้วใจจะเฉยเฉยแล้วก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกาย คำถามจากคุณปานวัการอุทิบนการอุทิตบุญ ก, กับการแผ่เมตตาเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับไม่เหมือนกันอะ่ะการแผ่เมตตาก็คือการให้ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเี่นเราส่งสอขอสอนี่ปีใหม่นี้เราส่งสอขอสอส่งความสุขอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาส่วนการอุทิศบุญนี้เราต้องทําบุญก่อนเมื่อมีบุญแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ให้กับคนที่เขาร่วงรับไปแล้วแต่บางทีมันก็ มันก็เป็นทั้งสองอย่างได้การอุทิศบุญนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาได้ทานที่จะส่งสก็สก็ส่งบุญไปเพราะคนที่รับนี้เขรับสอก็สไม่ได้เขรับบุญได้เราก็ต้องส่งบุญไปส่วนเราจะส่งบุญให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ก็เวลาเจอกันแล้วก็เอาขนมให้เขาเอาเงินให้เขาอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาเหมือนกันแต่เวลานั่ง นั่งอยู่คนเดียวแล้วสวดสัพเพสสัตตาเวลาหอนตุกนี้ไม่ได้แผ่เพราะไม่มีคนรับบุญบุญก็ไม่มีส่งให้คนรับจะจะแผ่เมตตาได้ก็ต้องมีบุญบุญต้องเกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากนั่งสมาธินี้แผ่ไม่ได้อุทิศไม่ได้เพราะเป็นบุญที่สูงกว่าผู้ที่จะรับรับได้เป็นบุญเฉพาะตนบุญแบ่งให้ใครไม่ได้ บุญที่เกิดจากนั่งสมาธิบุญที่เกิดจากปัญญาหลุดพ้นนี่เห็นพระพุทธเจ้าก็แผน่นิพพานให้พวกเรากันทุกคนอุทิศให้พวกเราทุกคนอุทิศไม่ได้อุทิศได้ก็คือบุญที่เกิดจากการทาําทานคำถามจากคุณพิสิทธ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระรูกนี้เป็นพระอรหันต์ครับอ๋อไม่รู้หรอกถ้าเราไม่เป็นพระอรหันต์แล้วไม่ได้คุยกับเขานี้เราไม่รู้หล้ว มันคนที่จบปริญญาตรีแล้วไปคุยกับคนอีกคนหนึ่งเราจะไม่รู้ว่าเขาจบหรือไม่จบแต่ถ้าเราคุยกับเขาเราก็จะรู้ถ้าเห็นหน้าตาเฉยเฉจะไม่รู้เลยเขาจบมาจากที่ไหนอย่างตอนเนี้เราไม่รู้ว่าโยมจบมาจากที่ไหนกันนะแต่ถ้าคุยกันแล้วก็พอจะรู้ ค, รคุยกันถามกันเรียนที่ไหนจบที่ไหนก็รู้แล้วแล้วถ้ายังไม่แน่ใจว่าเขาโกหกหรือไม่โกหกเราก็ต้องหาข้อสอบถามก็ดูข้อสอบของผู้ที่จบปริญญา รู้วิชานี้หรือเปล่าวถ้าเขาบอกไม่รู้แสดงว่าไม่จบจริงแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่สามารถไปสอบก็ได้คนนี้ไปสอบคนอื่นได้ตัวเองก็ต้องมีเามีมาตรวัดความสามารถของผู้อื่นงั้นผ้าอรหานต่อผ้าอาหารหันนี่ก็จะวัดกันได้ก็จะรู้กัน mm hmm. เวลาผ้าอาหารหันเจอกันเขาคุยกันคำสองคำเขาก็รู้แล้วเป็นหรือไม่เป็นแต่คนที่ไม่เป็นนี่พูดไปจนมันตายก็ไม่รู้เขาเป็นหรือไม่เป็น จะรู้ก็ตอนที่เขาตายแล้วแล้วก็ดูเข้ากลายเป็นพระทานไปตอนนั้นตอนนั้นก็จะรู้ว่าเข้าเป็นพ้าอ า, ารานเนี่ยคําถามจากคุณกิจตะวันอยู่ตึแถวค่ะบ้านข้างๆทั้งซ้ายขวาฉีดยาค่ามาแมลงทุกวันทําให้ยุงและวแมลงสาบหนีมาอยู่บ้านของนิฉันตอนนี้มแมลงสาบออกลูกเต็มไปหมด สร้างความเดือดร้อนจะจับไปไปล่อยก็ไล่จับแมงสาไม่ทันค่ะมันวิ่งเร็วมากขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะหน่อยค่ะก็ปล่อยมันอยู่ตามวนตามกำใบก็แล้วกัน <c oughs> หรือย้ายบ้านไปก็ได้คำถามจากคุณสารินาแล้วถ้าการทำทานเราอุทิศให้กับคนเป็นได้ไหมคะอะไม่ได้ก็ ถ้าอยาให้คนเป็นก็ซื้อของไปให้คนเป็นเลยทันี่ไปให้พระก็ไปให้คนเป็นเลที่จะให้คนตายต้องเอาไปให้ผ่านพระให้พระเป็นคนช่วยส่งต่อไปเป็นปบุรุษไปชนีแต่ถ้ากับคนเป็นนี่เราไม่ต้องอาศัยพระเราเอาของไปให้เขาเลยคําถามจากคุณนีรัชยานีรัชดาสวดมนต์อย่างเดียวแผ่เมตตาได้ไหมคะ อย่างที่บอกเรื่องส่วนมวล น, นี้เป็นเรื่องทำใจให้สงบแผ่เมตตานี้ต้องให้ความสุขกับผู้อื่นเช่นให้ข้าวให้ของเขาหรือไม่โกรธเขาเวลาเขาทำอะไรให้เราเสียใจเรียกว่าแผ่เมตตาคำถามจากคุณบุตรพระอาจารย์ว่าทำหมันสัตว์ไม่บาปแต่คนพาไปจะได้รับกรรมใหม่คะหมายถึงชาตินี้และชาติหน้าชเช่นแต่งงานแล้วอาจทาให้มีลูกไม่ให้มีลูก เพราะทุกการกระทำต้องมีผลใช่หรือไม่คะก็จะเป็นไปได้เราไปทำให้เขาไม่มีลูกต่อไปล่าจะไม่มีลูกก็ได้ก็ดีเลยลูกมันเป็นบ่วงจะไปมีทำไมคำถามจากคุณสิทธิเดชทำทานนี้ครอบคลุมถึงการทําบุญแบบไหนครับคำว่าทานแปลว่าการให้ให้สิ่งที่เป็นของเราก็เรียกก็เป็นการทำทาน พอทำทานแล้วก็จะได้บุญคือบุญก็คือความสุขใจที่เราอุทิศบุญก็คืออุทิศความสุขใจให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับความสุขใจจากเราแล้วเขาก็จะมีความสุขเหมือนเราคําถามจากป้านองในฐานะเราเป็นลูกลูกแม่ได้กระทําสิ่งที่ผิดทําให้เด็กที่จะเกิดกับไม่ได้เกิดเราจะทําบุญให้น้องที่ไม่ได้เกิดน้องจะได้รับหรือไม่คะ และต้องทำวิธีไหนน้องถึงจะได้ไปเกิดคะก็เรื่องไปเกิดไม่เกิดนี่เป็นเรื่องบุญกรรมของน้องเขาเราไม่มีส่วนที่จะไปทำให้เขาไปเกิดแล้วไม่ไปเกิดสิ่งที่เราทำได้ก็เพียงแต่อุทิศบุญให้กับเขาไปเขาจะรับไม่รับก็อยู่ที่ว่าเขารอรับหรือไม่รอรับ่นถ้าเขารอรับเขาก็ได้ถ้าเขาไม่รอรับเขาก็ไม่ได้คาถามจากคุณนาริสลา บุญที่เราทํามาแล้วไปอุทิศบุญให้คนอื่นบุญเราจะลดลงไหมคะไม่หรอกบุญเราจะเพิ่มขึ้นอีกกระทงหนึ่งบุญที่เกิดจากการให้ทานแล้วยังได้บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญหมดแล้วเหรอใครอยากจะถามต่อก็ได้นะยังมีเวลาเล็กน้อยสิบห้านาทีกำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยววันหลังคําถามยอดทิศต่างๆเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นคำตอบไว้แล้วท่านจะได้มาตอบบ่อยๆเช่นอะไรนะ อุทิศบุญเมตตาเลยอุทิศให้คนที่ยังไม่ตายเนี่ยหวนไม่เป็นไรล่ะก็พูดไปเถอะพูดไปแล้วนะคนเขาเขานานๆมันคนมันเยอะคนเข้ามาทีหลังก็ไม่ได้ฟังก่อนก็ได้มาแล้วครับคําถามจากคุณปณวัฒน์เราสามารถอุทิศบุญในอดีตให้ผู้อื่นได้ไหมครับ อย่างเช่นตอนไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็นึกถึงบุญที่เราตักบาตรเมื่อเช้าแล้วก็อุทิศให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมในเวรมันจะไม่เหมือนกับบุญที่เราทําสดๆร้อนๆเนี่ยเหมือนอาหารเนี่ยมันเก่าแล้วมันบูดแล้วมันไม่อร่อยแนละ้วพอถึงนิยมเวลาทําบุญแล้วก็อุทิศกันปัจจุบันทันด่วนเลยเพราะกลังมีความรู้สึกที่ดีอยู่พระ อ, อาจารย์ครับ ถ้าสมมุติว่าเราจะมาทําบุญแล้วเราจะอุทิศบุญโดยการอนุโมทนาบุญครับกับคนทางบ้านเราสามารถอนุโมทนาบุญอย่างเดี๋ยวนี้มันมีการเล่นลายใช่ไหมครับจากทางตัวหนังสือหรือคุยโทรศัพท์หรือการที่ไปบอกด้วยตัวเองเนี่ยได้บุญเท่ากันไหมครับได้อนุโมทนาบุญก็แสดงความยินดีกับการทําบุญของผู้อื่นะแต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นบุญเหมือนกับที่เราทําบุญนด้วยการให้ของเรานะมันคนละอย่างกัน กอนุโมธาราบุญก็อย่างหนึ่งอุทิศบุญก็อย่างหนึ่งบุญที่เกิดจากการทำทานก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นอาหารก็คนละชนิดกันเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มนี้มันไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นบุญเหมือนกันก็ทำให้ใจมีความสุขเหมือนกันแต่สุงน้อยสุขมากนี้เราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ แต่ที่ว่าบุญที่เกิดจากการทำทานนี่มันมากกว่า บ, บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาหรืออุทิศมันน้อยกว่าแต่มันก็เป็นบุญเหมือนกันคำถามจากคุณสุธามาคำสอนของพระพุทธองค์ถึงพร้อมด้วยเหตุและผลและความจริงพระใตยปีฎกตายแปลว่าสามปีฎกแปลว่าตะกร้าตะกร้าสามใบนี้น่าจะมีบางส่วนบรรจุวิชา จิตวิทยาไว้ด้วยเข้าใจแบบนี้ผิดหรือไม่คะก็คําสอนพระเจ้าก็เกี่ยวเรื่องจิตทั้งนั้น่ะจิตเนี่ยพุทธศาสตร์ก็คือจิตวิทยาทั้งนั้นสอนเรื่องเรื่องสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับจิตนีจิตสุขจิตทุกเหตุที่ทําให้จิตสุขจิตทุกเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เรื่องจิตก็จิตเป็นจิตศาสตร์หรือทั้งนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่เป็นวิชาแบบที่เราเข้าใจกันว่า มีพลังจิตไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ได้ไปไป ข, มข่มคนนั้น ข, ข่มคนนี้ได้อันนี้ไม่ใช่าศาสนาพูทไม่ได้สอนให้ไปข่มใครให้ข่มกิเลส ข, ของตนเองเพียงอย่างเดียวส่วนพลังจิตที่ได้เช่นเหาะเหินเดินอากาศได้รำ ล, ลึกชาติได้อันนี้เป็นเพียงความรู้เสริมเท่านั้นเอง mm hmm. ไม่ได้เป็นความรู้ที่ที่มีประโยชน์กับจิตใจของผู้ปฏิบัติ พอาจารย์ครับคําว่าอยู่กับปัจจุบัน อ, อย่างรู้ตื่นเนี่ยคําว่าอย่างรู้ตื่นหมายความว่าอะไรครับพระาอาจารย่ก็ต้องรู้ว่ากําลังอยู่ในปัจจุบัน <laughs> ใช่ไหมถ้าเราอยู่อดีตนี้แสดงว่าเราไม่เราฝันแล้วไงพอเราไปคิดถึงอดีตก็เหมือนจะฝันคิดถึงอนาคตก็ฝันต้องอยู่ปัจจุบันเหมือนตอนเนี้ตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันหรือเปล่ากําลังฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เปล่ากําลังคุยกันอยู่เป่า อันนี้ยถ้ากำลังฟังอยู่ก็อยู่ปัจจุบันแต่ถ้าไปไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไปแล้วไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแล้ว <Okay. S 1> แล้วถ้าถ้าไม่มีสติก็ไม่รู้ว่าไปแล้วก็เรียกว่าไม่ไม่ตื่นนะ้หลับไปแล้วหลับทั้งลืมตาอยู่ <Okay. S 1> หมดไหมยังมีอีกสามค่ะอะอา เดี๋ยวทางนี้ก่อนว่าเคย<า>ตั้งคันนะค่ะแล้วทีนี้เกิดอุบัติเหตุน้องเขาไม่อยู่ด้วยหลุดประมาณสองเดือนนะคะอยากทราบว่าต้องทํำยังไงถึงจิตใจหลวงถึงจะสงบคะ่ะก็คิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ได้มีเจตนาเหมือนกับเดินไปแล้วลื่นหกล้มอย่างนี้ตกมอไซอ่ามันก็เป็นเรื่องสุดวิสัยมันผ่านไปแล้วเราก็ไปทําอะไรไม่ได้แล้ว แล้วก็ไม่มีผลทางทางทางบาปกับเรามันไม่เป็นบาปไม่มีเวรกันอย่งนั้นเราก็ไม่ต้องไปวิตกไปกังวลแตการที่เราทําบุญอุทิศให้เพราะว่าเรารักเขาเราเป็นห่วงเขากลัวว่าเขาไม่มีบุญหรือว่ากลัวเขารอรับบุญอยู่แล้วก็ทําบุญอุทิศไปเท่านั้นเองให้ลืมไปเสมันเป็นอดีตไปแล้วเป็นเหมือนความฝัน หรือว่าจะเอาอาดีตนี้มาประสอนใจก็ได้ว่าต่อไปถ้าเราท้องก็อย่าไปนั่งมอเตอร์ไซค์อย่าไปประมาทต้องระมัดระวังเพราะจะเกิดความเสียหายกับลูกที่อยู่ในท้องได้ก็เอาอาดีตนี้มาเป็นเป็นอุทาหรณ์สอนใจเราแต่เรื่องความไม่สบายใจกับมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ามันก็ผ่านไปแล้วมันเกิดไปแล้วถ้าจะมี มีผลต่อเรามันก็ต้องเราก็ต้องรับมันเพียงอย่างเดียวต่อไปเราอาจจะไปเกิดในท้องของแม่ที่เขาไปนั่งโมอโเตอร์ไซค์ก็ได้แล้วก็แม่ก็ไปทำไปลม้มทำให้เราอยู่ในท้องไม่ได้เราก็ตายไปเขาเรียก ว, ว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมกันไปหมดแล้วใช่ไหมคำถามจากคุณทีสามข้อสามข้อ คำถามจากคุณติ๊งใส่บาตรทำบุญแต่ไม่ได้กวดน้ำแต่จะระลึกถึงแม่ที่ตายไปขอให้แม่มารับแล้วแม่จะได้รับไหมคะได้ไม่ต้องมีน้ำหรอกน้านี่ความจริงไม่ต้องมีเพียงแต่ว่าคนก็ไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงเขาก็เลยเอาน้ามาเป็นตัวอย่างว่าเออเนี่ยเวลาเทน้ำลงไปในถ้วยนีย่เหมือนกับเราเราเทบุญไปให้กับแม่ส่งบุญมให้กับแม่คาถามจากคุณเมทินี การจัดอาหารและของไหว้ต่า ง, างๆไหว้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเขาจะได้มารับหรือเปล่าคะไม่ได้หรอกของเดียวกัคนคนที่ไ่ว้เนี่ยจะได้กินถ้าอยากจะให้คนที่ล่วงรับได้ก็ต้องเอาไปใส่บาตรแล้วก็อุทิศบุญที่ได้จากการใส่บาตรไปคาถามจากคุณวาสนาอา น, นิสงส์งของการซ่อมแซมพระพุท ธ, ธลูกกับการสร้างใหม่เหมือนกันไหมคะ ก็เหมือนกันแะ e คือให้มันปีพระพุทธรูปให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแล้วเลยอีกสองข้ออ่ะสองข้อสข้อคำถามจากคุณเขมลูกชายยังสิบสามขวบยังอยากกอดแม่แม่ถือศีลแปดจะกอดลูกได้ไหมเจ้าคะถ้าเป็นผู mother mother. ้ชายก็ไม่ควรเพราะว่ามันเป็นการ ประพุธที่มันล่อแหลมต่อการทำให้เกิดการมารมขึ้นมาได้แต่ว่าอาจจะเป็นลูกเราอาจจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นก็ได้แต่ในสายตาของผู้อื่นเขาก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมที่ผู้ที่ถือศีลแปดผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการมารมที่จะไปแตะต้องเนื้อต้องตัวของเพศตรงกันข้ามก็ไม่ควรทำพูดง่ายๆมีไหม แล้วอีกคำถามเดียวคาถามสุดท้ายจากคุณนัชชาทำอย่างไรดีเจ้าคะถึงจะมีสติตอนนอนหลับไม่ให้ฝันคะ่ะอออนมีนอนนอนหลับมไม่มีสติกันแล้วที่ที่หลับได้ก็เพราะไม่มีสติถ้ามีสติมันก็จะไม่หลับยัน เ, เ, เราห้ามไม่ได้เวลานอนหลับแล้วฝันนี่มันเป็นวิบากของบุญของบาปที่เราทำ เวลาเรานอนหลับฝันดีก็แสดงว่าเป็นวิบากของของบุญที่เราทําไว้ถ้าเราฝันร้ายก็เป็นวิบากเป็นผลของบาปที่เราทำไว้มันมันจะเป็นหนังตัวอย่างให้เรารู้ว่าเวลาเราตายไปเนี่ยเราจะไปทางไหนถ้าเราฝันดีเราก็จะไปดีถ้าเราฝันร้ายเราก็จะไปไม่ดีเอาละนะหมดแล้วใช่ไหมทางนี้มีใครอยากจะถามอีกไหมจะปิดท้ายแล้วนะ